จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกทกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งเพื่อมาสนทนาถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาท่านที่ท่านผู้ใดสนใจก็เชิญเข้ามาร่วมสนทนาถามตอบกันได้วันนี้เราก็จะไปเริ่มที่ญี่ปุ่นโตเกียวเช่นเดิม เอนัคุณสดีจ้านคสสกกาัคุณกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์กราบนมัสการพระอาจารย์อ่ากราบสวยๆเด็กดีอาจกราบตั้งแต่เล็กอดีโต้นจะได้กราบเป็นดีไห ม, มอืออ่อย่างนี้ไม่สนแล้วใช่ไหมครับพอาจารย์ถามตอบเลยหนึ่งสนไหมครับ ไม่ซนไม่ซนคะ่ะเดือมั้ยไม่เดือนะดูอเดอดอยากจะยังฟุ้งมาเลจะฟังพ่อตันอีอาไม่มอะไรถามผ่อจไหมกันนี้จะจะวันนี้ขอหนูบดเพลงได้ไหมไดงเดี๋ยวเสร็จก่อนนะ<ม>โอเคค่ะเพลงอะไรเพลงญี่ปุ่นและเพลงไทยาจารจะถามลูกตอบด้วยนั<ม>่นฟังฟั ง, ฟง น, นั้น เมื่อวานนั่งพิงอะไรมาค่ะนั่งพิงมูซาอ๋อพิงมูซาเลยนะขาสิบเลยแม่หูสูงนะหูสูงค่ะพราจารหูสูงอืค่ะโอเคน้องคุไม่เหนอยใช่ไหมนี่ไงหูโอเคอัะน้องดูไปนอนก่อนแป๊บหนึ่งวันนี้เจอบททดสอบค่ะพะอาจารย์ยาครับดีนะที่เราไปทำอย่านี้ พอเจ็บมาหลังเจ็บมาค่ะพระอาจารย์เป็นอาทิตย์ละค่ะเมื่อคืนทนไม่ไหวไม่ได้นอนเลยค่ะวันนี้ก็เลยไปหาคุณหมอให้คุณหมอฉีดยาเพราะทันยาไม่อยู่คุณหมอบอกเจ็บนิดนึงนะเราก็ตั้งตั้งสติพุทโธแล้วค่ะพระอาจารย์เป่าเห็มปากเท่านั้นแหละโอ้โหมันมันเจ็บมากจนพุทโธก็เอาไม่อยู่พุทโธแบบดังๆังรวรัวก็ไม่อยู่ จนกระทั่งต้องตะโกนบอกว่าคุณหมอข้าไม่ไหวแล้วมันเจ็บมากเกินไปหยุดก่อนได้ไหมคือเข็มมันยาวมากเลยค่ะแล้วจิ้มไม่ตรงคอค่ะพระอาจารย์โดนไปสี่เข็มซึ่งก็ยังก็ยังใช้ยาไม่ได้ปล่อยยาไม่ได้มันแข็ง่ะคะจนต้องเปลี่ยนไปฉีดที่หลังเลยรู้ว่าอ๋อที่พระอาจารย์บอกแล้วก็ที่พระสุปฏิปันโนต่างๆท่านบอกว่าต้องรีบปฏิบัติก่อนที่ มันมันจะสายเกินไปถ้าเราไม่สบายถ้าเราเจ็บป่วยแล้วมันไม่ทันการมันจริงๆด้วยค่ะพระจอาจารย์อ่าต้องพยายามนั่งนั่งนั่งกับความเจ็บอย่าไปอย่าไปสลับอย่าไ ป, ปเป็นถ้านั่งพยายามนั่งไปให้มันเจ็บได้มันหาเองเราก็พุทโธพุทโธพุทโธไปนึกสวดมนต์ไปก็ได้ทําอะไรก็ได้เพีแต่ว่าอย่าไปอยากให้มันหายเจ็บอย่าไปอยากให้มันไม่เจ็บปมันเจ็บไปออ ตอนช่วงที่พระอาจารย์เจ็บหลังไม่ทราบว่าพระอาจารย์นั่งสมาธิไหมเจ้าคะอ๋อเวลานั่งมันไม่เจ็บมันจะเจ็บแต่เฉพาะเวลาเดินอ๋อของหนูเวลาเดินมันไม่เจ็บค่ะพระอาจารย์แต่เวลานั่งพอนั่งหลับตาปุ๊บมาเลยคะ่ะแบบเจ็บหลังแบบเจ็บเจ็ บ, เ จ, บเจ็บทนไม่ไหวคะ่ะบางทีแบบอ๋อลองดูซิว่าจะเจ็บแค่แคไหนกันหนูก็นั่งสมาธินั่งทนไปได้สักไม่เกินห้านาทีคะ่ะก็ คือแบบยอมแพ้โอเคงั้นนอนแล้วกันนอนทําสมาธิต่ออ <c oughs> ต่อไปเวลามันไม่สบายมันอยู่ท่าไหนมันก็ไม่หายอาการเจ็บค่ะ <c oughs> เราควรนั่งทนต่อไปอย่างนั้นไหมคะพระอาจารย์นั่งทนไม่ได้ต้องนั่งต้องนั่งเพื่อ <c oughs> เพื่อให้ใจสงบอย่าไปทนอย่าไปสนใจกับอาการเจ็บนั่งไปแล้ว <c oughs> ต้องขยันพุโทโธพุโทโธพุโทโธไป คือรัวๆเลยแม้ว่ามันจะพุ่งพลาดรัวก็ได้ไม่รัวก็ได้แล้วแต่ออเหมือนเวทนาพยายามจะส่งเสียงดังวันแล้วว่าเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะมันก็ปล่อยมันเจ็บไปอย่าไปยุ่งเลยให้เราอยู่กับฮุตโถฮไปค่ะแล้วก็อยาไปยากให้มันหายยิ่อยากมันยิ่งเจ็บใหญ่ใช่ค่ะเหมือนมันเหมือนมันรู้บว่าฉันว่าเดี๋ยวอ่ะเจ็บเท่าไหร่ เจ็บเจบมาเลยเดี๋ยวจะนั่งเป็นไงเป็นกันเป็นไงเป็นกันให้มันเจ็บเท่าไหร่ยอมค่ะจนน้ําตามันไหลบอกไหลไหลไม่เป็นไรมันไม่เคยค่ะก็คือให้เราให้เราไม่ไม่ใช้คําว่านั่งทนแต่ให้ให้ให้นั่งเขาเรียกว่อะไรนะคะสู้กับมันสู้กับความเจ็บแต่อย่าไปอยากให้ความเจ็บหาย ให้ให้ใจอยาก<ะ>ให้กิเลสหายให้ความอยากให้ความเจ็บหายหายไปยามัน<ะ>ที่มันทนไม่ไหวก็เพราะความอยากให้ความเจ็บหายไปในระหว่างที่เราเวทกาลังสู้กับเวทนานั้นอยู่ะค่ะพระอาจารย์คำบริกรรมบางทีหนูหนพุทโธพุทโธไปแล้วรู้สึกว่าพุทโธไม่อยู่หนูลองสวิตช์เป็นพุทโทธธรรมสังโฆเออมันมันมันนิ่งข<ะ>ึ้น ได้ได้ให้มันยาวขึ้นก็ได้ครับพุโทโธมันสั้นไปก็อ๋อไม่พุทโธสร้างนามกระชามิทำ ม, งมังสารังกระชามิสั้างทางสนังกระชามิก็ได้แล้วแต่เราจะสวดบ<ถ>นไปเลยก็ได้อิติปิสโสไปก็ได้แล้วแต่ออจะจะลองนําไปปฏิบัติดูค่ะคือทั้งประมาณเกือบสองอาทิตย์แล้วค่ะที่แบบนั่งนั่งไม่ได้นานเลย <c oughs> ตอนแรกพอพอเวทนามันเริ่มทํางานแบบเต็มที่เลย อ่อายอมก็ได้แล้วก็นอนทําสมาธิไปมีเมื่อวานเนี้ยค่ะที่มาบอกเขาว่ า, าสู้กันสักครั้งลองดูว่าจะเจ็บได้มากสุดแค่ไหนกันจนเจ็บจนแบบน้ําตาไหลไม่ไหวแล้ว อ, อย่างหนึ่งก็คือต้องฝึกสติมาเรื่อยๆทั้งวันอย่าเพิ่งทำบุญทำบุญพุทธโธมาก่อนก่อนที่จะมานั่งพระค่ะพระอาจารย์จะน้อมนาไปปฏิบัติดูนะเจ้าค่ะโ okay. อเคสาธุทวดกราบค่ะ ไปที่จะแม่กัจจี่ท <c oughs> ่องอาการสาลิกสองไปก็ได้เวลาเจ็บกพขมขนและปานหนังเนื้อเอ็นกันอยูไปครับ <c oughs> มันราอาจารย์อะ่าไงสมการบ้านนะใช่ครับ ม, มามาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมราจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมกาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะ่ละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรับของจเจริญใจทั้งหลายทั้งวงเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแน่นเกิด มีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่เพื่งอาางาใสเราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดอ่ยอมรับกรรมนะยอมรับผลของกรรมนะไม่แล้เกิดให้การอะไรขึ้นมาก็ ก็น้อมรับไปครับแล้วร่างกายเราไม่ตัวเรามีร่างกายไหมเราอยู่ในร่างกายมีตัวเราเปล่าร่างกายมีตัวเราอยู่ไหนร่างกายเปล่าไม่อยู่ค่ะไม่อยู่เลยไม่อยู่ไงไม่อยู่ไม่มีใช่ไหมไม่มีโอเคแล้วร่างกายเรามีอะไรบ้างมีผมขนเล็บ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 น้ำเหงือ่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสล่น้ำดีเลื้ยงในสมองสีขาวอาหารเก่าอาหารใหม่ใช่น้อยใช้ใหญ่ปอดไตสมมติกับหัวใจมา้าเลี้ยในกระดูกกระดูก เ, เ, เ, เอ็นเนื้อหนังฟันเล็บผมเออจำไว้นะร่างกายไม่ใช่เราไม่ได้เป็นร่างกายนะร่างกายไม่ได้เป็นเรานะ เ, เราเป็นผู้รู้ผู้คิดเนะี่ย แล้วก็ไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปทุกกับร่างกายร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายตอ้ามมันไม่ได้อยู่มันไม่ได้คมีคมำถามอะไรไหม ว, วันนี้ไม่มีคำถามค่ะแม่ไม่มีบ่าไม่มีค่ะโอเค พยายามสอนใจไปเรื่อยๆนะร่ากายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นของดินน้ําลงไปฟถ้าวันหนึ่งก็ต้องกลับคืนคืนให้สู่ดินน้ําลมไฟไปโอเค okay. นี๋ไปที่คุณหมอพิเชษนะครับขอบคุณอาจารย์ครับหมอเชิญเก่ารัมวัศการพระอาจารย์ครับ ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายการตายอย่างสงบครับพระอาจารย์ก็เราพนักฝึกสมาธิไว้ก่อนตายต้องพยายามปฏิบัติเกิจิตสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องกาอรอพอเวลาจะตายเราก็คือมันสรองแบบได้สองแบบเรือองแบบสมาธิก็คือเราก็เข้าสมาธิไปไม่รับรู้เรื่อง อาการของร่างกายแต่สภาวะแบบนี้มันยังทำให้เรายังไม่ได้ปัญญาไม่ได้ไม่ได้บรรลุมรรคผลถ้าอยากจะบรรลุมรรคผลเราก็ไม่ต้องเข้าสมาธิแต่เราต้องมีกาลังของสมาธิให้เราสามารถประเชิยงกับความตายด้วยการใช้ปัญญาสอนเราว่าความตายเป็นปเรื่องของร่างกาย มันเป็นมันเป็นของไม่เที่ยงไม่มีใครยับยั้งมันไะด้มันไม่มีตัวตนมันไม่ชอตัวเราของเราถ้าเราไปอยากให้มันไม่ตายเราก็จะทุกข์้าเรามาใจเราก็จะไม่สงบถ้าเรายอมให้มันตายอย่าไปอยากให้มันไม่ตายใจเราก็จะสงบสงบด้วยปัญญาโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิ ดูลมหายใจไปจนวาระสุดท้ายของลมใจใจจะต้องมีอุเบกขามิยั่วดูลมได้ถ้าไม่มีอุเบกขามันก็จะอยากมันก็จะกลัวความตายกัน <c oughs> อยากจะหนีอยากจะให้ไม่ตายมันก็เลยทำให้เครียดขึ้นมาทำให้ทุกข์ทรมานขึ้นมาเพราะฉะนั้น ต้องสอนใจว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เหมือนเป็นมาจากดินน้ำลมไฟมันเป็นของไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับเป็นธรรมดาอยาไปอยากให้มันไม่ดับก็จะสร้างความเครียดให้กับใจอย่าไปอยากปล่อยวางปล่อยให้มันตายถึงเวลาก็ปล่อยมันตายไปต้องตายกันทุกคนไม่มีใครมนีความตายได้ อจะตายแบบสงบไม่าตายแบบไม่สงบตัวนี้ต <c oughs> ายยังใช้ปรรัญญาพิจารณาไม่เป็นก็ใช้สมาธิไปก่อนพุทโธพุทโธไปดูลมหมาย ใ, ใจไปอย่าไปคิดอะไรอย่าไปคิดถึงร่างกายอย่าไปคิดถึงความตายแล้วจิตก็สงบเข้าไปสมาธิเวลาร่างกายตายไปจิตก็ไม่รับรู้ แต่จิตก็ยังยังไม่ได้บรรลุสมาช่าน่าก็ยังกลัวตายอย่ <c oughs> แถ้าใช้ปัญญาแล้วมันก็จะไม่กลัวตายอมันมีสองระดับระดับสมาธิและระดับปัญญาเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเราต้องฝึกถ้าไม่ฝึกถึงเวลาจะตายมันทําให้มันทําไม่ได้ มันเรียนหมอเนยะมันต้องทําการบ้านอยู่เรื่อยๆถึงเวลาเข้าห้องสอบตรงนี้ทำข้อสอบได้ถ้าไม่ทำการบ้านไม่ดูหนังสือไว้ก่อนเดี๋ยวพอเข้าห้องสอบมันหาคำตอบไม่เจอไม่รู้จะทำอย่างไรอต้องพยายามทำการบ้าน ส, สติสมาธิและปัญญาสามตัวนี้ เบื้องต้นก็นจเจริญสติค่ะทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นจนหลับหมายควบคุมความคิดอย่าไปให้คิดเรื่อยไป <c oughs> <c oughs> ให้จิตรู้เฉยๆคิดน้อยที่สุดถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องคิดเลย <c oughs> ให้รู้เฉยๆแล้วถ้าจะคิดกายคิดเกี่ยวกับบริกรรมพุทโธพุทโธไปไม่คิดถึงเ <c oughs> รื่องด้านอาุสติจิตก็จะสงบเข้าสมาธิได้ เราสมาธิได้จิตก็จะมีกาลังมีอยเบืขาที่จะสามารถใช้ปัญญาพิจารณาร่างกายได้ว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยมต้องแตกต้องเจ็บเจ็บตายเป็นธรรมดาห้ามันไม่ได้มันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวเราของเรา <c oughs> ต้องยอมต้องปล่อยก็ตายก็ตายไป ไว้างร่างกายได้ใจก็จะสงยืนอุ่นทิพัสท่านสวเอุปปัสสโมสุขโขการละสัมพันได้เป็นสุขอย่างยิ่งละด้วยปัญญาอย่าไปอยากไม่ตายอย่าไปต้องยอมตายเมื่อถึงเวลามันจะตายก็ต้องให้มันตายไปเราไม่ได้ตายไปกับมันเนีเ่ย เราเป็นผู้ที่มาครอบครองมันชั่วข่าวเป็นสมบัติชั่วข่าวของเราถึงเวลาก็ต้องคืนเข้าไปเหมือนไปยืมรถคนคนหนึ่งเข้ามาถึงเวลาก็ต้องคืนเจ้าของเข้าไป <c oughs> เราเป็นคนขับรถรถกืนเจ้าของไปเราก็ยังอยู่เพียงแต่เราไม่มีรถทั้งนึง <c oughs> เราไม่มีร่างกายเราก็อยู่ในโลกทิพย์ ถ้ามีบุญก็อยู่ในสวรรค์ถ้ามีบาปก็อยู่ในอบายสวรรค์ก็สุขอบายก็ทุกข์ <c oughs> <c oughs> ถพอหมดหมดหมดกำลังของบุญหรือบาปก็มาเกิดใหม่มาได้ร่างกายอันใหม่แล้วก็มาหลงคอดว่าเราเป็นร่างกายแล้วก็มาทุกกับ ความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายอีกรอบหนึ่ง <c oughs> แต่ถ้าใช้ปรรัญญาพิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเร า, เราไม่เราไม่ได้เป็นร่างกายเป็นร่างกายเป็นดินน้าลงไฟมันจะดับก็ต้องให้มันดับพอปล่อยได้มันก็จะไม่กลัวความตายการหน้ากลับมาเกิดใหม่มันก็จะไม่กลัวความตาย พระโสดาบันบางทีถ้ายังยังไม่สําเร็จในชาติานี้กาจะต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่เกินเจ็ดครั้งกลับมาเกิดเลยนะ้แต่การมาเกิดแต่ละครั้งก็ไม่กลัวความตายไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความแก่เข้าใจนะคุณหมอครับเข้าใจครับอาจารย์ขอบคุณอย่างสูงครับได้ยินถึงเข้าขห้องสอบแล้วนะคุณหมอ ครับอาจารย์กาลังทำฝึกทาการบ้านอยู่ทุกวันครับระอาจารย์เตรียมปล่อยวางร่างกายนี้นะมันต้องไปเลยนะมันไม่ใช่ตัวเราของเราจรับครับแต่ว่าคุณสำน้อมนปฏิบัติครับคืนคืนสู่เจ้าของเดิมดินน้ําลมไฟทำไมเวลาเผาไปเหลืออะไรเนแต่ดินนะดินเ้าไปคืนลงแม่น้ําเจ้าปัญญาไปลงลงทะเลไป อ่โอเคสรับครับขอบคุณครับพระอาจารย์อ่าคนที่ตีมาเป็นยังไงวันนี้สิบแปดหรือสิบห้าการนักสการค่ะพระอาจารย์สิบแปดแต่พระอาจารย์วันนี้ก็เหนื่อยหน่อยค่ะเพราะว่ามีนั่งตีที่เคาน์เตอร์ก็เลยพออ่าอดทนนิดหน่อยค่ะมีปวามหิวความอะไรนิดห่อวันนี้ใช้แรงเยอคะค่ะ ใช้ใช้ขันติสร้างบา ร, รมีทุกบารมีบา ร, รมีบารเกิปัญญาบารมีรรมรรมถึงสี่แล้วก็ปฏิบัติทุกวันเหมือนเดิมค่ะอาะจาร้งใจเลยพยายามนั่งสมาธิให้ได้ทุกวัน <c oughs> าไปที่คุณสารกาอยู่ที่ชัยนาสารกา ค่ะมาฟังรรธรกกรมพระอาจารย์ค่ะปฏิบัติค่ะอ่านะจ๊คุณยศสวัสดีน้มสักการเจ้าค่ะพระอาจารย์คม่มีอะไรเลยไม่มีคำถามอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เตรียมตัวไปปฏิบัติต่ออกีกหรือเปล่าก็เดินเมษาค่ะที่วางแผนไว้แต่ว่า มีพอดีเมื่อวันที่สิบเก้ากรุ๊งภาที่ผ่านมาเห็นว่าเป็นครบรอบที่พระอาจารย์บวชสี่สิบเก้าปีค่ะ hmm. แล้วรู้จริตตัวเองว่าตัวเองเป็นคนนิสัยอาจจะต้องมีอะไรมายึดเหนี่ยวให้ให้ตัวเองปฏิบัติก็เลยเอาปีที่ห้าสิบของพระอาจารย์เป็นหลักค่ะแล้วก็ว่าจะปฏิบัติบูชาพระอาจารย์นะคะด้วยการ hmm. ที่ทุกอาทิตย์จะตั้งใจค่ะทุกอาทิตย์จะนั่งให้ได้ห้าชั่วโมง รวมกันแล้วนะคะขั้นต่ำค่ะพระอาจารย์หนูเป็น beginner ค่ะหนูขอ<ม>เบาๆบก่อนก็ให้ได้5ชั่วโมงต่อสัปดาห์แล้วก็ถือสิน8ให้ได้อธิรักครั้งเป็นเป็นขั้นต่ำค่ะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆค่ะพะอาจารย์จนวันที่1กุมภาปี68เนี่ยจะครบ50สัปดาห์ก็เอาเลข50ของพาอาจารย์มาเป็นตัวตั้งค่ะจะได้ดึงให้หนูทาไม่งั้นมันไม่มีอะไร เหนียวให้ไปนั่งทำนะคะอาจารย์วันนี้เป็นวันแรกที่ทําค่ะเดี๋ย ว, วนนลองทําไปเรื่อยค่ะต้องตั้งเป้าหมายไหมมันจะได้มีอะไรมาบังคับเราถ้าไม่ตั้ง<ช> เ, ปเป้าหมายมันก็โลเลอยากจะทําก็ทําไม่อยากจะทําก็ไม่ทําส่วนใหญ่มันจะไม่อยากจะทํามากกว่าทําใช่ค่ะอาจารย์ก็เลยคิดว่าชาตินี้โชคดีมาเจอครูบาอาจารย์ค่ะแล้วก็ ไม่รู้ว่าตัวเองตัวเองอาจจะต้องเกิดอีกหลายชาติเผื่อบุญที่ตั้งใจปฏิบัติบูชาครูบาอาจารย์จะเผื่อไม่ได้เจอกับพระอาจารย์แล้วยังต้องเกิดอยู่ก็ขอให้ได้เจอครูบาอาจารย์ดีๆค่ะให้เป็นนักเรียนที่ดีก่อนชาตินี้ค่ะพระอาจารย์ก็เลยว่ า, า, าตั้งใจจัอาจารย์ที่ดีที่สุดก็คือตัวเรานั่นแหละพยายามศึกษาธรรมะให้มากๆให้เป็นอัตตาเห็าตานตโนนาทูค่ะพระอาจารย์ พอเป็นพอเป็นโสดามันแล้วก็สามารถเป็นอาจารย์ของตนเองได้นะรู้แล้วว่าไตรลักเป็นยังไงรู้แล้วอริยสัจสี่เป็นยังไงมากแปดเป็นยังไงพนะยายามเอาให้เต็มที่นะเพราะว่ากลับมาเกิดข้อน่าจะไม่มีศาสต า, าพุ้ธไม่มีครูบาอาจารย์ให้เรายึดเหนี่ยวนะเราต้องอาศัย ธรรมะที่เราปฏิบัตินี่เป็นเครื่องนําทางต่อไปค่ะ <c oughs> อาจารย์โอเคสาธุอันนุกค่ะน้อมนําไปปฏิบัต <Okay. S 2> ิค่ะพระอาจารย์ค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะอ่าคุณมั่งน้อยสันโดษจากคุณยายวาสกาดครับพระอาจารย์อ่าอคุณยายสบายดีอ่ะยายก็ตามก็อยู่ค่ะ อ, อยู่บ้านอย่างเดียวค่ะ อ, อ่าดี ดีที่สุดที่บ้านเป็นที่ยายอยู่แต่ บ, บ้านนะคะอยู่ที่บ้านสงบออกไปข้างนอกอา ว, วุ่นวายครับ <c oughs> อาจารย์หายไปหลายหายไปหลายอาทิตย์ครับผมอันนี้ว่าติดติดธุระแล้วก็เหมือนกลับมาบ้านไม่ทันครับผม <c oughs> คุณยายบอกว่าอย่าเพิ่งเข้าก่อนรอรอคุณยายด้วย เลยไม่ได้เข้ามามก็รอให้เวลาตรงกันวันนี้ก็เนยคุยกับคุณยายบว่าวันนี้เข้าไหมยายบอกรอตั้งหลายอาทิตย์แล้วเมื่อไหรจะพาเข้าต็<ม>ลเลยวันนี้ก็เลยปรากฏตัวให้เห็นเข้าอาจารย์ผมเรียนท่านอาจารย์ว่าไม่มีคําถามแต่ว่าเข้ามาในซูมได้กราบพระจารย์นู่นชาร์จแบตเตอรี่มาชาร์จพลัง ช่วงนี้ต้องการกำลังใจพยายามเจริญสติกำลังใจพุทโธพุทโธทำใจควบคุมความคิดไว้หยุดความคิดแล้วใจก็ยังมีพลังเพิ่มขึ้นมาเองผ่านยังไม่ได้กลับไปเชิ่มถ่าครับขอรบหลังอาจารย์ครับไม่มีอะไรนะ คุณยายสุขภาพแข็งแรงอยู่ไปเรื่อยให้เกินหนอาปีนะคุณยายค่ะขอบพระคุณค่ะเอาํำพอดีดีกว่าค่ะต้องฉลองมันครบรอบหนึ่งน้อยปีขอบพระคุณค่ะไปที่นาราที่ว่าคุณอุสากับคุณอิษยาจำเนมตรการพระอาจารย์แ่สนุกออ แพระอาจารย์เ อ, อ่ที่ฟังทำที่พระอาจารย์บรรยายให้คุณหมอพี่เชิดอีกแล้วค่ะวันนี้ก็ได้ความได้ความรู้เรื่องการซ้อมตายก่อนนะคะพระอาจารย์เพราะว่าตอนที่ปฏิบัติคนเดียวอยู่อาทิตย์หนึ่งหนึ่งสัปปามาหนึ่งสัปดาห์ค่ะที่ให้ลองกําหนดไปเผาร่างกายค่ะพอออกพอออกมาพิจารณาค่ะพระอาจารย์มันรู้สึกมันมีความ เศร้าๆเปล่าเปลี่ยวยังไงไม่รู้ค่ะมันรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องมันมีอารมณ์นั้นอยู่อะค่ะเลยมาฟังเลยได้คีย์เวิร์ดตรงที่ว่ามันก็เหมือนเราสละรถยนต์ออกไปแล้วจริงๆเราก็ไม่ต้องใช้รถยนต์ก็ได้อ่ะค่ะ<ช>ค่ะถ้าเรามีความสงบจากสมาธิเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายก็ได้ค่ะเลยเลยคิดว่าน่าจะทําให้รู้สึก Uh, แกแก้ปัญหาตรงจุดที่รู้สึกว่ามันรู้สึกเศร้าๆ uh, ตรงนั้นได้พราะายังยังยังเพิ่งร่างกายยังเสียรายร่างกายเพราะยังยังติดรูปเสียงกลิ่นรดอยู่ต้องเลิกเสพรูปเสียงกลิ่นดรดแล้วก็จะไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ยึดติดกับร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องมีร่างกายเรามีความสุขจากความสงบได้เราก็ไม่ต้องใช้ร่างกาย okay. ค่ะเดี๋ยวจะเอาจุดนี้ไปพิจารณาต่อค่ะพระอาจารย์เพราะว่ามีแผนจะไปปฏิบัติยาวค่ะการฝึกสมาธิจึงเป็นธรรมการเป็นธรรมที่สําคัญห้ามมองข้ามไปคนส่วนใหญ่คิดว่าไม่มีสมาธิก็ไปปัญญาได้เลยก็ไปปัญญาแบบเศร้าๆอย่างนี้น่ไค่ะใช่ค่ะแล้วมันก็ไม่รู้ว่าเพราะตกลงเราเศร้าเพราะอะไรมันแบบความความอย่างแล้ว ความเสียดายควายากให้ร่างกายอยู่กัอยู่กับเราไป็นนานค่ะค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวจะเอาไปพิจารณาต่อค่ะขอบพระคุณค่ะพยายามเปลี่ยนวิธีหาความสุขแทนที่จะใช้ตาหูจมูกนิ้วกายก็มาใช้สติแทนสติสมาธิมีสติก็จะเข้าสมาธิได้เข้าสมาธิได้ก็ไม่ต้องใช้รูปเสียงตาหูจมูกนิ้วกายไปหาความสุข ตัดกรมะฉันทะได้ละกรมะฉันทะได้ะฝึกสมาธิเยอะถือศีลแปดต้องถือศีลแปดอาจารย์ตอนนี้ยังเก็บแบบชอบดูยูทูบเปล่าอาจารย์ก็มัาถึงเศร้าเลยถ้าเย็นดู y o u ูทูปมันต้องมีตาให้ดูเช่ไหมมีร่งางกายให้ดูค่ <c oughs> ะพอร่างกายตายไปก็เศร้าเนี่ยไม่ได้ดู y o u ูทูบแล้วออื ค่ะมันเบื่อเบื่ออยากอยาค่ะบางทีก็ฟังอยู่ YouTube สักพักก็เริ่มรำคามาฟังธรรมะสักพักก็เบื่อแล้วก็ไปกลับไปกลับมาค่ะอาจารยวรต้องต้องเด็ดค่ะต้องต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งรถแห่งธรรมชนะรดทั้งป่วนความรถของความสงบเนี่ยชนะรถของของ u ูทูของเน็ f l i x กอะไรต่างๆได้ค่ะอาจารย์ okay. อ่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ว่างไหมสาหรับโยมนะคะอาจารย์ช่วงนี้โยมต้องไปโรงพยาบาลทุกอาทิตย์ใช่ไหมคะสองวันต่ออาทิตย์คือไปแผนไทยกับกายภาพพอไปกายภาพเนี่ยคะ่ะเขาจะใช้จะแตะไฟเหมือนกับอะไรนะเขาเรียกอันตรเซาอ่ะค่ะอืมันที่แขนแล้วยมก็ถามเขาว่าทําไมถึงปวดในเมื่อใช้กระแสไฟทำไมถึงปวดเขาก็บอกว่า มันมันป่วยไงคะแต่เราฝืนที่จะไปใช้งานอยู่เขาก็เลยประท้วงเราโยมก็อ๋อมันเป็นมันเหมือนกับเป็นคีย์เวิร์ดคำหนึง่งว่าอ๋อเรายังฝืนอยู่อ่ะคะ่ะอาจารย์<ด>แล้วโ<ด>ยมก็เลยปล่อยให้เขาทําพอมันเจอความร้อนใช่ไหมคะโยมก็ดูนั่งดูนั่งดูไปว่ามันจะร้อนแค่ไหนก็ถามว่าร้อนไหมร้อนแต่ว่าทนได้โยมอยากจะรู้ว่ามันมันจะร้อนแค่ไหนก็นั่งดูความร้อนไป ยีิบนาทีก็ผ่านไปเหมือนกับว่าเรากำลังนั่งดูทดสอบตัวเองอ่ะคะ่ะแล้วก็พอต้องไปจุ่มมือจุ่มพาราฟินทั้งสองข้างใช่ไหมคะข้างซ้ายนี่ข้อมืออักเสบข้างขวานิ้วล็อกก็จุ่มพาราฟินทั้งสองสองสองข้างแล้วก็นั่งนั่งนิ่งๆแล้วก็มองว่าเออถ้าเราไม่มีมือแล้วก็นั่งมองข้างหน้าจะเป็นโฟชาร์เป็นชาร์ตของโครงกระดูกแล้วก็เส้นเอ็นก็นั่งมองไปเออร่างกายเป็นอย่างนี้เหรอมันเป็นมหัศจรรย์มากเลยนะ แล้วคำพูดอาจารย์บอกว่าร่างกายก็เหมือนกับบ้านโยงว่าโอบางคนที่มันสร้างแล้วไม่สมบูรณ์มันก็เหมือนบ้านที่ปูพังคนก็ต้องไปหาบ้านใหม่มก็จริงอย่างที่ว่าก็นั่งเหมือนกับว่าทุกอาทิตย์จะต้องไปนั่งพิจารณาแบบนี้ทุกอาทิตย์อาะะจารย์ก็เลยกลับมาเออเราต้องซ้อมมันกับเราซ้อมไปเรื่อยๆะค่ะอาจารย์อันนี้ก็นํามาใช้ได้อยู่นะคะใช้ได้ใช่ไหมคะอย่าให้เราไปทุ่มกับมันแล้วหน่อยไม่ค่ะตอนนี้ก็คือแบบมันป่วยก็ พอแบบ๋ยวมันกับหมอเขาพยายามจะรักษาให้บอกอะทําก็ทําแต่เราก็อยู่กับมันแบบไม่ได้ทูกกับมันนะคะมันปวดก็ปวดไปอยู่อย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ทูกกับมันก็รักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ไม่ก็ใช่ค่ะก็ช่วยไม่ได้ใช่ค่ะคิดอย่างงั้นเหมือนกันแต่ว่าความจริงอยู่กับเขามาเป็นปีแล้วแต่พอมหมอเขาบอกว่าหนูจะนัดป้ามาเรื่อยๆนะบอกได้ค่ะให้ให้เขาทาไปตามสบายค่ะอาจาร<ม>ย์ยกไปเพราะว่าเราก็รักษาฟรีอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็อ ใช้ใช้วิธีนี้เหมือนกับทดสอบตัวเองอะค่ะเพราะว่ามันจะต้องเจ็บตอนที่เขากดที่กดใช้อันเตอร์ซามันที่ข้อมือมันจะเจ็บเขาทำไหวไหมบอกไหวเจ็บไหมเจ็บทนได้ไหมได้ก็ทนค่ะจนัน <c oughs> กลับมาก็จะแดงตามรอยเส้นที่เขาแตะกระแสะไฟเข้าไปอ่ะคะ่ะมันก็เป็นการทดสอบที่แบบ <c oughs> มันมันเตือนเราอะคะ่ะจนันเป็นลักษณะเหมือนเตือนว่าเราเราถึงใกล้แล้วนะอย่าประมาท ก, กับมันนะประมาณนะนะคะจนัน ใช่นั่นต้องต้องพร้อมที่เผชิญกับความเจ็บด้วยร่างกายมันต้องเจ็บปวดด้วยโยครคภัยไข้เจ็บต่างๆแ่ถ้าเราเคยอยู่กับมันมาได้แล้วเราก็เฉยๆไปอยู่กับมันไปปกติโยมเป็นคนกลัวเข็มฉีดยาค่ะอาจารย์แต่คราวนี้คือแบบเอาแล้วอยากทำอะไรก็ทำแล้วก<ม>็พ อ, พอเขานวดใช่ไหมเขาเจ็บเจ็บโยมก็ปล่อยไป จนเหมือนกับพยาบาลเขาถามว่าเหมือนกับเราหลับเหรอบอกป่ามไม่ได้หลับแต่ไม่กล้าบอกครับว่าเรากำลังภาวนาค่ะจ๊ะ อ, อันนี้ก็ค่ะเอามาใช้อยู่ค่ะจ๊ะเอามาใช้อยู่ตลอดการภาวนานใช้กับทุกเหตุการณ์ได้หมดได้ค่ะตีผมบนศรีรษะก็จะเป็นเครื่องเตือนอยู่ตลอดเวลาว่าเวลาเราจะเหลือหรือเท่าไหร่ไม่รู้่ค่ะจ๊ะเตือนตัวเองตลอดค่ะีไ ม, ไม่เลยค่ะจ๊ะยอมยอมจริงๆ แล้วขอบพร ะ, ะคุณอาจารย์นะคะอดี๋ยได้เดีได้โยมมาเจออ า, า, าจารย์ช้าไปเหรอาจารย์ไม่ช้าหรอกถ้าช้าก็ตายไปแล้วแต่พุทธอาจารย์ตอนนี้ไม่ช้าวอย่างยังทําอะไรได้อย่างเนี้ยจะตั้งใจค่ะอาจารย์ตั้งใจมากมากเลยคะ่ะพยายามห้ามใจตัวเองอยู่ค่ะอาจารย์สาธุครับอาจารย์ ข, <ชา S 2> ขอบพระรคุณนะค ะ, ะไปที่โกเบคุชบโกเบแล้วเลยเห็นใส่เสือ้อ ในวาร ก, การแทาพทยค่ะพระอาจารย์ตอนจริงๆไม่หนาวนะคะ่ะหนูเป็นคนขี้หนาวนะคะ่ะพระอาจารย์ตอนนี้สีแต่พยากรณ์เขาบอกว่าพรุ่งนี้มันจะลดลงเหลือเก้าเก้าองศาอาจารย์มีอ<ม>ไงมีอะไรไหมหนูไม่มีคําถามคะาา่ะพระอาจารย์อธิบายยิ่ว่าพระอาจารย์เจ้าคะ่ะออาทิตย์ที่แล้วอะคะ่ะที่หนูถามพระอาจารย์ว่าเอสมาธิอะค่ะพระอาจารย์ คณิกาสมาธิพระอาจารย์บอกว่าที่ที่หนูทํามามันยังไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูหนูดดก็เลยอยากรู้ว่าคณิกาสมาธินี่ถ้าสมมุติเราทํางานอย่างใจจดใจจ่อหรือว่าเดินจงกมรมเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถึงเหมือนกันใช่ไหมคะเจ้าคะไ ม, ไม่ถึงต้องนั่งเฉยๆ<อ>แล้วก็ไม่คิดอะไรแล้วมันก็วุบลงไปเหมือนกัดดุกุดวะดุขี่วะ มันรู้สึกเบาโล่เยน็นสบายมหาจัจจันใจมันต้องมาจัจจันใจถึงจะเป็นสมาธิถ้ายังไม่มาจัจจันใจยังไม่ถึงเจ้าค่ะห๋ยอจะพยายามต่อไปเจ้าค่ะอถ้าเจอสมาธิแม้แต่คณิกาแล้วมันก็จะติดใจแล้วมันจะไม่อยากจะดูหนังฟังเพลงแล้วมันอยากจะมานั่งสมาธิ ด, ดีกว่าเจ้าค่ ะ, ะเข้าใจไหม อใจเจ้าค่ะจะพยายามค่ะอืาโอเคหาดูอาจารย์คุณออนอนงค์ก็ทำมาถามแลม้วมาสกการครับอาจารย์อาทิตย์มไม่ได้เข้าไปอินเดียมาค่ะต้องเวลาไม่ได้เพิๆๆ่งกลับมาจากอินเดียไปสี่สัปดามาค่ะไปกี่วันนะไปแปดวันเจ็ดคืนคราาับอาจารย์เคืนไปตั้งสี่สถานเนี่ย ใช่ค่ะแล้วก็เข้าสาวัถีด้วยค่ะเพราะว่า<ม>เพราะว่ามันก็เป็นจุดที่มีเรื่องราวมากมายไม่ได้ไปมาสิบปีกับอาจารย์ก<ม>็โอ้เปลี่ยนแปลงไปมากวัดไทยเยอะขึ้นเยอะแต่ก่อน<ม>ก็คนจะมีปัญหาห้องน้ำเดี๋ยวนี้ก็สบายเลยค่ะคนไทยเพราะว่ามีวัดไทยเป็นเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งใช่ที่พักพอนอนลับนอ น, น, อ, นอาหารก็ม<ะ>าม อ่าเหมาทุกอย่างห้องน้ำห้องน้ำจะเป็นสิ่งสําคัญมากที่วัดไทยสร้างไว้ใช่ค่ะก็เลยเราก็โอ้มีการพัฒนาขึ้นมากพระท่านก็ไปสร้างวัดไทยเป็นช่วงๆให้ให้คนไทยเป็นหลักเนี่ยแะค่ะวัดไทยเลยเป็นแอร์เบียนบอบไปนะ <c oughs> ใช่ค่ ะ, ะแล้วอาหารก็จะเหมือนเหมือนถูกปากยงคนไทยทนะอาจารย์เนาะใช่อาหารไทยเท่านั้นใช่ค่ะวัดถาพาักโรงแรมเขาก็ปรุงได้เป็นอาหารอินเดียซะเป็นหลักอช่ ก็ก็ก็ดีค่ะหมือว่าพาพอดีมีน้องๆในที่ทำงานไม่เคยได้ไปก็อพาไปสร้างศรัท ธ, ธากันไปดูให้เกิดศรัทธาอะไรางี้ยก็ดีสำหรับคนที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ไปดีแต่นคนที่รู้แล้วปฏิบัติได้แล้วมันก็ไปก็เท่านั้นอนะ่ะมันก็ไม่ได้อะไรมากมาย ใช่ใช่ทุกท่านก็จริงนะท่านก็พาให้คนที่ไม่เคยได้เห็นได้ไปเห็นได้เห็นได้ฟังได้คนที่ไม่มีศรัทธาจะได้เกิดศรัทธาได้ใช่ค่ะบางคนก็เพิ่มปิติบางคนไม่เคยไม่ไม่ไม่เคยรู้เลยใช่ท่าก็เราก็เอื้อตีนก็รู้สึกตีนก็เลยถือศีลแปดทั้งอาทิตย์เลยค่ะเพราะว่าอยู่ที่นั่นแล้วก็เพราะส่วนใหญ่นั่งรถยาวก็ไม่ต้องใช้พลังงันมากก็คิดว่าศีลแปดได้ ผ่านก็ก็ดีแต่ก็ประทับใจมากตรงวัดไทยนี่โอ้เยอะมากค่ะานบอกว่าเป็นที่พึ่งของคนไทยจริงๆดีอ่าก็ดีค่ะก็ก็ไม่ได้มีอะไรที่ผ่านมาก็เลยไม่ได้เข้าเพราะว่าอยู่ที่นูน่นเวลาช้ากว่าทางนี้หน่อยอยังไม่ถึงที่พักก็เลยอุ้นลำบากนิดนึงอ่านไม่เป็นไรก็ผ่านได้บ้างเคินได้บ้างก็ยัง ทั้งวันก็พยายามรักษาสติแล้วก็ช่วงนี้หย่อนนั่งสมาธิไปหน่อยอาทิตย์นี้กลับมาแล้วก็ว่าจะปฏิบัติกลับมาให้เข้มข้นเหมือนเดิมค่ะอาจารย์แต่ว่าก็รู้สึกเราได้พลังที่ดีกลับมาอาจารย์เพราะวันแรกที่กลับมานั่งก็ส่างหมกมากอาจจะเป็นเพราะเราแบบซึมซับบรรยากาศที่ที่แบบมันมั น, ม, นมันอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นกลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยค่ะแต่ก็ดีใจที่บางคนที่เขาไม่เคย ไม่เคยได้เห็นไม่เคยไม่ได้เคยได้รับรู้ไม่ยังไม่มีศรัทธาก็น่าจะมีศรัทธาเพิ่มมากขึ้นเหมือนกังว่าในขณะนี้ผ่ากันไปอืมนั่นแหละค่ะอืมไปรับบินเนื้อบินตรงไปที่เมืองเมืองพทธคยาค่ะนมีสนามบินแล้วเนี่ยใช่ค่ะเดี <c oughs> ๋นี้ไฟล์ก็อย่างการบินไทยอ่ะจะจัดคือเขาทําแค่หกเดือนเองนะคะพระอาจารย์ตุลาแล้วก็ไฟล์สุดท้ายที่จะบินคือสิบมีนาคมอืมเพราะมันเริ่มร้านแล้ว ใช่ค่ะี <Okay. S 2> โรงแรมอะไรเงี้ยเขาก็จะเหมือนกับว่าทําธุรกิจอยู่แค่นั้นเ<ม>ท่า น, นั้นเองช่วงที่สแสวงบุญได้ก็คือเย็นๆ เ, เ, เนี่ยแหละคะ่ะอากาศเย็นแล้วมีชาวชาวติอื่นไปกันเยอะเหมือนกันใช่ไหมพม่าค่ะทั้ง<ม>ชาพม่าก็เยอะเพราะว่ามัน ม, ม, มีสายการบินบินตรงจากพม่ามาเหมือนกันเหมือนกันใช่ค่ะ ก, ก, ก็แปลกใจะเป็นชาวเอซียอสมากกว่าที่ไปใช่ค่ะชาวไอซีเ มีพระลาะปลายญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นเห็นมีพระญี่ปุ่นอยู่เหมือนกันอ่าแล้วก็ก็ก็ก็สว่วนใหญ่จะเป็นชาวเอเชียค่ะเาจารย์ถ้าไสตรงไปพุทธคยาก็จะมีรู้สึกจะมีการบินไทยกับแอร์เอเชีย ค, ค่ะท่านที่บินตรงคนไทบนไทยไปอินเดียแต่คนต่างชาติมาประเทศไทย มาเดินสายวัดป่ากะนะันเลใช่ก็จะคนอินโดนีเซียมาเดินสายวัดป่าเยอะมา ก, ว, ากวันนี้ก็มีกลุ่มสิงคโปร์เอาคนจีนมากลุ่มหนึ่งมาม่เนื่อเชื่อว่าเข า, าสนทนาทำมาถามคำตอบมาใส่บาตรใส่ก็เพิ่มเด็ิเ่มากใช่ค่ะโย ม, มเห็นแบบโอ้เขาแล้วอย่าง ท่านนิยมได้มีโอกาสไปเจอกลุ่มโยมอินโดนีเซียเขาก็จะเดินสายวัดปานทางอีสานเขาไปมากกว่าเราอีกประจย์คือรู้จักตุบาจัรันเยอะมากใช่เขารู้จักหมดหลวงปู่กันหาหลวงปู่ชาโลนัทธ์หลวงองต้องแปลกใจว่าองคมีศรัทธามากอ่าเ้าก็บอกว่าเดินสายจัดมาเป็นกลุ่มๆอะไรเงี้ยอี้ก็ก็น่าประทับใจดีค่ะเอ่ ก็ดีค่ะก็เลยไม่มียังไม่มีคําถามอะไรค่ะอาจารย์ก็เลยมาเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเพิ่งกลับมาจากศรีสังเปคนค่ะก็ดีจะได้เป็นข้อมูลสำหรับท่านที่ไม่ได้ไปเผื่ออยากจะไปวัดไทยก็มีที่พักเขาก็ต <c oughs> ก็คือตามงบ <c oughs> ถ้าเรางบไม่มากก็ไปพัก <c oughs> วัดไทยได้มีอาหาร <c oughs> มีห้องพักแล้วก็ทําบุญอ <c oughs> ืถ้าใครมีงบมากหน่อยเขาก็พักโรงแรมเลยค่ะก็ตามกําลัง ใช่ค่ะแล้วก็มีไฟล์ตรงไปถึงพุทธคยาส่วนใหญ่ก็ถ้าทริปสั้นๆใครๆก็อยากจะไปตรงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไปกราบตรงนั้นกันเขาก็เลยมีไฟล์มินตรงพุทธคยาอืมใช่ค่ะมันจะไปแค่พุทธคยาแล้วกลับเลยใช่ค่ะที่จุดเดียวใช่ค่ะบางคนก็ไปเหมือนอัเราไปสี่จุดไปลุมพินีไปพุทธคยาไปกุสินาราแล้วก็ พลันสีที่โปรดปันจักวรวิถีค่ะโอคค่ะาจา้าโอเคสาว ท, ท, ที่อัลโมธอาจารย์ทัดขันแข็งแรงนะคะค่ะไปที่โซล่าชิาางโกฟินัง <c oughs> นไงลดลง4กิโลแล้วแล้ ว, ลวกลับขึ้นมาใหม่แล้ว <laughs> ล, ลดลงครับแล้วก็ขึ้นมาใหม่เหมือน mm hmm. ที่พระอาจารย์ยุ่งหนอพองหนอคนระับใช่ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> แต่เขาก็รู้สึกว่ามีใจที่ที่ได้ได้สู้ได้สู้ได้ได้ฝึกครับวันนี้ก็กลับมาทําต่อแล้วก็ mm hmm. รู้สึกว่าเออเวลาเราต่อสู้รู้สึกว่าจริงเราจะแพ้แต่ว่าเราก็ยังได้สู้ครับ mm hmm. อืมก็ลดลงก็ทําต่อครับคือสู้แต่จะไม่ได้ถอยครับ ก็ถอยเล็กๆน้อยๆเพราะว่าทำงานเยอะทำกันงคืนแล้วบางทีแบบว่าเหมือนร่างกายมันล้าแล้วก็แบบว่าเออมันมันเหนื่อยมากย่างเงยครับก็ก็ก็ก็สู้ต่อครับดีก็ครับก็ทำตามทำแล้วรู้สึกดีครับลเวลารู้สึกมันอยากจะกินก็ลองมานั่งให้สมาธิให้อาหาร ผู้ที่อยากกินไม่ใช่ร่างกายหรอกผู้ที่อยากกินคือใจใจมันมกินสมาธิมันถึงจะอิ่มใจไปกินอาหารมันก็มันก็ไม่อิ่มมันกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มเพราะมันไมไ่เป็นอาหารของใจอาหารของกายร่างกายก็จะกลายเป็นตุ่มไปแล้วพ ร, ระอาจารย์รู้เมื่อกี้พระอาจารย์พูดกับคุณหมอเนี้ยผมก็พิจารณาตามรู้สึกว่า ออกกายเบาจิตเบาถ้าถ้าเราไม่ต้องได้ไปยุ่งอะไรกับใครหรือว่าต้องทํางานเนี้ยเราก็กายเบาจิตเบาครับแต่ว่าพขมีเราก็ต้องใช้ขันทํางานครับมันก็เลยไม่ว่างเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปทำํำครับลองลองสมมติว่าถ้าอยากจะกินอะไรก็อะมานั่งสมาธิแทนเพราะผู้ที่อยากไม่ใช่ร่างกายน่างกายได้กินข้าวแล้วเมื่อก็มันก็พอละความต้องการของร่างกาย ที่มันอ้างามันเพียมันนุ่มก็ใจมันเพียใจมันเป็นการค้างสงบไม่ใช่ร่างกายร่างกายมันออพอแล้วน้ําหนักเกินแล้วดูไปให้มันกินเองก็ก็บางวันคือบางวันก็นนก็เป็นมื้อเดียวไปเลยก็คือแบบว่าอาดงอาดงพาวัดอะไรอย่างเงี้ยอาดงวัตรก็สองต้องแยกเยอะร่างกายอมันก็ต้องเลี้ยงมันแต่วันละมื้อก็พอแล้ว อมันอยากจะกินอีกนี่แสดงว่าไม่ใช่ร่างกายอยากกินนะใจอยากกินใจหิวนี่ใจก็ต้องเอาสมาธิได้กินได้อิ่มสบายไหมดีก็ดีดีครับคือถ้าทำได้ก็อยากทำไปเรื่อยๆครับออลองทำดูสิถ้าจะตั้งใจจริงๆทำได้เวลาทิ่อยากจะกินข้าวก็นั่งสมาธิแทนว่าผู้คิดไม่ใช่ร่างกายผู้คิดก็คือใจ แต่คิดอยากจะกินขึ้นมาแล้วก็ไปให้ร่างกายที่มันไม่อยากจะกินมันก็ไปยัดให้มันพองขึ้นมาก็อออออพอเข้าใจรู้สึกว่าพอพอจะแยกได้ระหว่างออ่ความรู้สึกกับอพอจะแยกได้แต่ว่าเดี๋ยวจุดนี้เดี๋ยวไปเพิ่มครับโอเคนะลองทําดูนะคขอบ ค, คุณครับฟิรครับป้าตามนะทุกคนเอ่อวันนี้คุณหมอภาสนา เป็นยังไงคุณหมอสบายดีเลยค่ะอาจารสบายค่ะพระอาจารย์ก็ฟังตอนนี้ก็เริ่มฟังของปู่สวัสด์ค่ะก็เทศเทศแล้วบอกว่าฟังต่อๆกันมาเมืองของพระอาจารย์เหมือนของปู่ชาเลยน ะ, ะ่ยคะและ้วประดีมากเลยค่ะอาจารย์ในกำลังใจแล้วก็อันนึงที่เห็นเพิ่มก็คือว่ามันเหมือนที่พระอาจารย์บอกอ่ะพอมันสงบๆไปมีความสุขไปด้วยมันเหมือนน้านิ่งมันเห็นความหลงด้ง่ายขึ้นนะพระอาจารย์อืม รู้สึกยิ่มีกาลังใจเลยค่ะพระอาจารย์มันเห็นง่ายขึ้นเลยใช่ไมคะพระอาจารย์อืมแล้วก็วันนี้ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยก็มีประชุมก็ตอนนี้ก็ปล่อยได้หมดเลยนะคะพระอาจารย์ก็คือไม่ได้ไปเขาบอกเขาเลยว่าวันพุธยไม่ไปไหนละก็จะมาฟังพระอาจารย์แล้วก็ถ้ามีงานอะไรให้ทําแล้วก็จะทําตามหน้าที่ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือปล่อยหมดแล้วค่ะพระอาจารย์แล้วเนี้ยรู้สึกแบบโล่งมากเลยพระอาจารย์ว่าทําสอพระอาจารย์ในข่าอาจารย์พระอาจารย์นิพนธ์ว่า อ๋อไม่ได้ข่าวเป็นไรหรือเปล่าคะยังไม่ได้ไปหาท่านเลยเอี <Yeah. S 1> มก็คือไปครั้งสุดท้ายก็ท่านไปครั้งสุดท้ายเมื่อสักสองเดือนที่แล้วที่บอกดีๆพระอาจารย์ท่านก็สบายดีน ะ, ะพระอาจารย์แต่ว่าคนที่เป็นครัวเขาคือคนที่อยู่อยู่ในครัวที่ที่เป็นเพื่อนกันอะ่ะเขามีปัญหาเรื่องขาเขาก็เลยไม่ได้มาแต่ก็มีหลานพระอาจารย์มาช่วยทำครัวให้ค่ะแล้วพระอาจารย์ส่งข่าวมาว่าท่านประสบอุบัติเหตุตอนนี้อยู่ในโ<ม>รงพยาบาลนะอ๋อเหรอคะ ที่<ม>ที่ไหนอะคะที่ขอนแก่นต้ ง, ICU. งไอซียูเนี่ยอ๋อประสบไปบัติเหตุรถรยนต์ทางรถยน อ, อ๋อเดี๋ยวเดโทรหาเพื่อนค่ะไม่ไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบเพราะว่าเพิ่งไปหาท่านเมืม่สอสเดือนที่<ม>อืมอยว่ายังว่าวเดี๋ย ว, ยวไปส่งลูกจะแวะไปหาท่านอยู่เลยอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวลองจัดเวลากับแฟนลองไปเยี่ยมท่านดีกว่าอืมอาจารย์แ ต, แต่เขา<ม>บอกว่าตอนนี้อาการท่านคงที่แล้วมันสเตเบิลแล้วมันเอออยู่อยู่ไอซหรืออยู่ข้างนอกคะอยู่เนะ อยู่ห้องนอกหรือว่าอยู่ไม่แน่ใจเลยคิดว่าต้องคงต้องอยู่ไอซยูมากกว่าได้แต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวบเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวฉันยังไงเดี๋ยวจะลองจัดเวลาลองไปดูว่าทําอะไรช่วยได้บ้างอาจารยิ่ง <okay. S 2> ทําให้เห็นอาจารย์ขอบคุณค่ะไม่มีอะไรแน่นอนนะอาจา <c oughs> ยิ่งเห็นนะ้ <c oughs> ว่าอาจารย์ <c oughs> เพราะตอนนี้มันตอนนี้ก็คือแบบว่าทุกอย่างที่เข้ามามันสามารถที่จะมองเห็นตรงเนี้ได้ง่ายขึ้นแลครัาอาจารย์มันก็เลย <c oughs> ทําให้สงบมันเหมือนแบบ ไม่เหมือนพอเราทำสมาธิมากขึ้นมันก็สงบมันก็เลยเหมือนกับลูกเด้งมาเลยยิ่งดีมากขึ้นเรื่อยๆเลยตั้งใจทำค่ ะ, ะอาจารย์โอเคสาธุคุณสภาาัชาที่เท็กซัสตอบนรมาจารย์พระอาจารย์เจ้าค่ะลูกไม่มีคำถามเจ้าค่ะขอร่วมฟังเจ้าค่ะโอเคในใบได้คนลูกตาชนมลยตาลูกาาลตกา นวมสการค่ะอาจารย์มีอะไรไหมไม่มีค่ะตอนนี้ก็เริ่มปฏิบัติแบบนั่งสมาธิก่อนนอนค่ะช่วงสัญญส้นๆสองก่อนนอนแล้วก็ถือศีลหกค่ะก็ตั้งจะทำให้ได้สักเดือนหนึ่งค่ะโอเคอย่าไปถือตอนตอนนอนนะตอนนอนไม่ต้องถือนะศีล น, นะค่ะ หรือตอนตื่นนะตอนไม่ได้หลับนะค่ะพี่อาาร์เพราะว่าพยายามลดน้ำหนักแล้วมันก็ลดไม่ได้สัทีค่ะแต่พอเราตั้งใจว่าเป็นเป็นไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ทานหลังเที่ยงอะ่ะมันก็จะมีสติมากขึ้นค่ะก็คือจะไม่แตะไม่แตะของกินเลยค่ะนอกจากน้าเออนีสาธุจรตอนแรกคิดว่าจะทำไม่ได้แต่ก็ ทำได้แล้วค่ะทำได้หลายวันแล้วค่ะอยู่ที่ใจถ้าใจสู้สยอย่างไม่มีอะไรที่ใจจะทาไม่ได้ค่ะหลังจากล้มเหลวมาหลายครั้ง่อาจาอืมอาจนะจาการปกปแม่น้ำลินเชนแม่น้ำลนตอพระอาจารย์ได้ยินยอมไหมเจ้าคะนะ่าชัดเจนจา้าจาบจาทุกค่ะพระอาจารย์พอดี หนูเมื่อวานไปพบแพทย์สมองใช่ไหมเจ้าคะพอดีอ่ดูจากวางแผนการผ่าตัดรอบห้าค่ะพราจารเปิดกะโหลกรอบที่ห้าแต่ว่ารอบนี้หมอผ่าสมองบอกว่าน่าจะไม่ผ่าอีกแล้วเพราะว่าความเสี่ยงจะสูงมากรอบห้าค่ะอันตรายจะสูงก็เลยหนูก็เลยว่ายังไงก็ได้คะ่ะเพราะว่าจะผ่าจะต้องขออนุญาตตอนนี้หมอบ มอบร่างกายให้กับแม่ค่ะเพราะว่าตามใจแม่ค่ะตอนแรกแม่บอกว่าถ้าจะผ่าอีกรอให้แม่กเกษียณก่อนเดี๋ยวแม่จะมาดูอาการอย่างนี้นะคะ่ะหนูก็เลยได้เลยแม่เพราะว่าหนูปัจจุบันหนูก็แบบไม่อะไรกับร่างกายที่หนูเป็นนะคะะอาจา์ก็เลยเหมือนอมอบให้แม่คืนนะคะะอาจา์ทีนี้หมอก็เลยบอกว่างั้นไม่ต้องผ่าแล้วลองเปลี่ยนแบบวิธีอื่นมมันมีแบบนวัตกรรมใหม่ะคะ่ะ พบแพทย์สัญญกรรมเกี่ยวกับาการการกู้เส้นประสาทางเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์อตอนนั้นตอนที่หนูเคยตักบาต ท, ที่ชนบุรีใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เคยถามหนูเกี่ยวกับสัญญกรรมมาค่ะหนูก็เลยคิดถึงตอนนั้นเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์เคยไปถามว่าจะสัญญกรรมต่อหรือเปล่าอะไรงั้นไหมเจ้าค่ะหนูก็เลยตอนแต่ก่อนหนูก็ไม่คิดว่าจะสัญญกรรมอะไรให้สวยใช่ไหมเจ้าค่ะแต่พอไม่เอาร่างกายแล้วหนูก็ลองดูว่าถ้า จะแก้ไขเหมือนแก้รถยนต์นะค่ะจะแก้ได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยลองพบหมอสัญญกรรมอีกอีกรูปแบบหนึ่งนะคะ่ะก็ตามที่หมอสมองบอกว่าลองเลียนแนวอะไรประมาณนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ลองดูก็ได้ผือกูเส้นประสาทแบบไหม่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยว่าเพราะว่าไม่มีเพราะว่าจะทําอะไรก็ทํามันเหมือนแบบหนูยอมเป็นหนูทดลองอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ สำหับตัวหนูเองเองนี้เจ้าค่ะก็เลยก็เลยทําอะไรก็ได้ ท, ทําพื่เถิดแต่ว่าเพราะว่าเพราะว่าสังเกตว่ามันก็ไม่ตายสักทีถ้าตายก็คือตายก็จบเกมอย่างเนี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์<ฮ>ตามที่หนูคิดอันนั้นเจ้าค่ะพระอาจารย์<ฮ>ก็เลยใช้ชีวิตที่เหลือให้เป็นประโยชน์อย่า<ฮ>งเนี้นเจ้าค่ะแล้วก็ตามใจแม่ค่ะ<ฮ>แม่อยากได้อะไรเอาตามใจแม่ไปเลยแม่อย่างนี้เขาก็เลยบอกว่า ตามใจผู้ผลิตแล้วกันค่ะเหมือนยืมรถแม่มาใช้ก่อนเนี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์นั่นดีเจ้ า, าค่ะก็อย่าไปท<า>ุกข์กับมันเนี้ยแล้วกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ไปที่อาจารย์สายทิพย์ขอนแก่นใช่ไหมเดี๋ยวนี้อยู่ขอนแก่นนี่อยู่กลับนะพระอาจารย์เจ<า>้าค่ะอยู่ขอนแก่นเจ้าค่ะออื ไม่ไม่มีคําถามค่ะแต่ว่าตั้งใจปฏิบัติค่ ะ, คะปฏิบัติทุกวันสิ้นแปดอยู่สินสินวันนี้ยังไม่แปดค่ะแต่พวกนี้สินแปดค่ ะ, ะกําลังคิดในใจว่าจะจะไปทีละอาทิตย์ค่ะพระอาจารย์ตั้งใจให้สินแปทีละอาทิตย์ต่ออาทิตย์ไปพอคิ ด, ด ย, ยาวๆแล้วมันเหมือนแบบ พอมันมันเริ่มแบบออกออกไม่ถึงสี่แปดมันก็จะยาวเลยค่ะพระอาจารย์ก็เลยเพิ่งพึ่งนั่ ง, น, ง, น, งนั่งนึกตอนเนี้ยค่ะว่าจะตั้งใจให้ให้ทีละอาทิตย์หนึ่งเจอพระอาจารย์ก็ถึงอาทิตย์หน้าก็ไปอีกอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเนี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ว่าสองสามวันที่ผ่านมาลองไม่ทานข้าวข้าย็นคือนหนูทานเข้ามาช่วงที่ทํางานหนักๆแล้วก็เหมือนมันก็ก็เป็นที่ใจค่ะพระอาจารย์จริ ง, รงๆมันเหมือนอยาก อยากกินมากกว่าวันนี้ก็ลองเอ๊ะถ้าหยุดดูก็ร่างกายก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะงานหนักเหมือนเดิมก็เลยคิดว่าเป็นที่ใจเรานี่แหละค่ะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวตั้งใจพรุ่งนี้เริ่มเริ่มใหม่อีกทีค่ะประมาณสิลหกสิบเจ็ดค่ะพระอาจารย์แต่ว่าพรุ่งนี้ว่าตั้งใจจะเป็นสิบแปดไปอีกอาทิตย์หนึ่งเอาทีละอาทิตย์ค่ะใจมันหิวต้องให้อาหารใจคือความสงบค่ะ อย่าไปให้อาารนั่งกายนั่งกมันไม่อิ่ค่ะเหมือนแบบเวลาเราเหนื่อยเหนื่อยบางทีก็ฝืนลองนั่งสมาธิดูค่ะ<ม>แต่พอนั่งแล้วมันก็สบาย<ม>แต่ว่าถ้าไม่ฝืนก็นอนเลยค่ะตา ม, ม <laughs> แต่ว่าพอถ้านั่งได้แล้วมันก็จะเหมือนผ่านจุดผ่านจุดเหนื่อยแล้วมันก็จะไม่เหนื่อยค่ะอ แต่ก็ไม่ได้ทำบ่อยค่ะส่วนแด่จะจะแพ้การนี้จะก็เดี๋ยวหนตั้งใจว่าเดี๋ยวตั้งแต่พรุ่งนี้ไปอีกะทิย์นึงเนี้ยค่ะพระอาจารย์จะเป็นศีลแปดค่ะโอเคค่ะส่วนนัจิตใจก็สุขสบายดีค่ะพระอาจารย์ไม่ค่อยทุกข์อะไรเท่าหค่ะอืมค่ะก็ดีต่อย่ประมาทเพราะเหตุการณ์มันเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆนะค่ะ ตอนนี้ตอนนี้าจะไม่มีอะไรทำให้เราทุกข์แต่ข้างหน้ามนันอาจจะมีอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ปัญญาคิดสิ่งที่จะเกิดขึ้นด้วยใช่ไหมคะรับความไม่เที่ยงเตรียมตัวรับกับมันมค่ะโอเคสาทุก ค, ค่ ะ, ะคุณโอพีเคถึงชิถึงภูงกเก็ตหรือยังเนี่ย มาหายเดืนแล้วนะจากกรุงเกตมาเนี่ยกล่วลาราชกเจ้าค่ะอาจารย์อยู่บนเขาเจ้าค่ะอ๋ออยู่บนเขาอยได้กี่วันนะกลับค่ะอาจารย์ยังไงสงบไหมสงบเจ้าค่ะแต่ว่าลูกก็ยังฟุ่งซ่านอยู่เจ้าค่ะอาจารย์ไล่จับลิงแต่เห็นความแตกต่างนะเจ้าค่ะอาจารย์เหมือนกับว่าตัดห่วงทางโลกได้ชั่วคราวหรือไเจ้าค่ะ เห็นชัดเจนว่าเจ้าค่ะความวุ่นวายอะไรทั้งโลกที่บอว่าปากติเราผู้ฟรีเนี่ยมันจะมีความห่วงความกังวลเรื่องงานอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมเจ้าคะ่ะแต่พอมาอยู่ที่นี่เราลืมไปช่วขณะหนึ่งอะไรอย่างนี้ยเจ้าค่ะอาจารย์พยายามเจริญสติแต่ว่าลิงว่าเจ้าค่ะอาจารย์ปกติ <ri> ไม่ไม่มีงานทำหรอือไม่ต้องทอํงานไม่มีใ่ไหมอ่าธมดามีงานทำหรือเปล่า ก็อย oui. oui euh ่างของลูกท okay ี่ปกติใช่ไหมเจ้าคะก็จะแบบว่าอ่าขายของทางออนไลน์อย่างี้ใช่ไหเจ้าคะอาจารย์ก็จะหยุดได้มีหาซื้อของเจ้าคะหยุดตามที่เราต้องการได้นะคะก็เหมกับว่ามามาตอนที่มาบนเขาเนี่ยก็ยากอยู่เหมือนกันเจ้าคะกว่าจะได้ขอแฟนขึ้นมาอะไรนี้เจ้าคะอาจารย์ มันช่วงอยู่น้านเจ้าค่ะลูกไม่ได้เล่าให้ทาาา่านอาจารย์ฟังเจ้าค่ะว่าที่บ้านอ่ะเขาไม่เข้าใจว่าการที่ลูกอ่าทานข้าวืม่ดีเราอย่างนี้เจ้าค่ะอาจารย์จะเป็นปัญหากับที่บ้านมากคือทั้งนา้าทั้งแม่ทั้งครอบครัวอย่างเงีจ้าค่ะจะลูกอ่ะเหมือนจะเป็นคนเดียวที่บอกว่าออยู่ในเขาจะแอนตี้มากจ้าค่ะอาจารย์เขาจะาาาไม่เข้าใจเหจ้าค่ะทานข้าวืม่ดีเราอยานี้เจ้าค่ะกเราไม่ได้ไปไม่ได้ไปกินอาหารของคนอื่นนะเขาจะมาเดือดร้อนตรงไนใช่ไห แต่มีมีพอ ด, ดีว่าไม่สบายอยู่อาทิตย์นึงเจ้าค่ะอาจารย์แล้วมียาช่วงที่นั่นลูกก็เลยกลับมาทานข้าวสามมื้ออยู่ประมาณอาทิตย์นึงเจ้าค่ะเพราะว่ากำเป็นแลวกินยาลยอลไเจ้าค่ะืแต่หลังจากนั้นก็เมื่อดีเอาอยู่เจ้าค่ะแต่เดือนนี้อาจจะบอกว่ามีผ่อนมาก็คือว่าอย่างอย่างอยู่นั่นเนี่ยก่อนกลับมาเจ้าค่ะพระอาจารย์สงสารพ่อของแม่ก็เลยบอกว่าไปทานข้าวกับเขาหน่อยในนีชเาคหลักเที่ยงแล้วก็เดือนนี้อาจจะขออนญาตไปทานหลังเที่ยงสักวันหนึ่งอะไงเงยเจ้าค่ะ แต่ช่วงถ้าปกติก็คือรูปรทานมื้อเดียวเนาะค่ะขึ้นมาบนเขาที่จริงวันนี้ไม่ได้ทันเท่าเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็เมื่อวันซืน น, นะคะสลับกันเจ้าค่ะเจ้าค่ะเพราะว่ารูปจะหนักเล่นกินมากเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะากินมื้อเดียว ก, ก็จริงแต่ว่ากินเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็เมื่อวันซืนก็เลยงดไปวันหนึงพอ ง, องดแล้วรู้สึกว่าง่วงมากเจ้าค่พะอาจารย์ ก็ว่าไม่มีกำลังอย่างนี้เจ้าค่ะแล้วเมื่อวานกลับมาทานก็ดีแค่ไหนวันนี้กลับมางดช่วงเช้าเนี่ยเหมือนมีความรู้สึกว่ามาันจะง่วงเจ้าค่ะอาจารย์พอพอเดินเดินเดินแล้วก็มานั่งเนี่ยมันจะง่วงมากเจ้าค่ ะ, ะ, ะตั้งแ่ธรรมดามันพออาหารมันจะไม่ง่วงกัน ไปอาจจะเพราะว่าตื่นเช้าด้วยหรือเปล่าเจ้าคะพระอาจารย์มางทีตื่นเร็วก็ลุกเลยอะไรอย่ใช่งี้ยแต่อาจทีแบบมพที่คิดลงไอาจจะเป็นพวกกิเลสมากกว่าอ่าแบบนี้ถือเป็นนิวรณ์ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ง่วงก็เป็นนิวรณ์อย่างนึงโยมอนทานเพื่แก่ขับมง่วงนยมยิ่งไปอนทารกลับไปง่วงกินแล้วกลับไม่ง่วงนมันก็แปลก มีแต่คนคกินแล้วงอกินแล้วอิ่มแล้วมันง่วงแต่เวลาหิวมันจะไปง่วงดได้ไงก็ไม่รู้พระเจ้าติดขนมลูกติดกินมากเลวต้องมีขนมเหมือนดึกฟังเพีรพระอาจารย์ใช่ไหมพระอาจารยจะบอกอยา ก, กินขนมเลยลูกเลยเจ้าค่ะเป็นหนึ่งในนั้นก็เลยตอนอย่างขึ้นมาบนเขาเนี่ยแฟนพขากลัวว่ า, วาลูกจะอดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะเอาของกินมาให้เติมเลยขนม อ, อะไรนี้เจ้ค่ะแต่ว่าลูกก็พยายามค่ะข้ามใจก็คือ ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่เจ้ค่ะอาจารย์ก็คือเลยแต่สนใจว่าลองงดเลยที่ทาเข้ามาสองวันก็คือเมื่อวันซืนก็เมื่อวันกลับมาทานแล้วก็วันนี้ไม่ได้ทานเจ้าค่ะขนมก็ยังอยู่อะไรอย่างนี้เจ้าค่ะอาจารย์กินไปหน่อยนึงอะไรอย่างนเจค่ะถ้าถ้าติกินที่ต้องพิจารณาอ่าอยากจะกินอาหารก็พิจารณาอาหารเก่าอาหารใหม่เออ เวลามันก็ไปอยู่ในท้องแล้วมันน่ากินนไหะเวลาอาเ จ, จียนออกมาแล้วตักับเข้าไปกินใหม่ได้ไาหมอ่านั้นก็็เลดอร่อยอืะใช่ต้องสอนคลายอาหารรางวัลมิใช่ไหมเจ้าพระเจ้าเวลาเคี่ยวยังไงปามันอร่อยมากดูหน้าตาหน่อยหน้าตาอาหารที่อร่อยนี่หน้าตาเป็นยังไงบ้าง หน้าตาขณะที่อยู่ในจานมันยังไม่ยังไม่ได้กลินมันยังไม่อร่อยแต่จะลองลองพยายามเลยเจ้าค่ะอาจารย์มันเริ่มฝึกเหมือนกันเจ้ค่ะลองลองคายออกมาดูอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะยิงกินอร่อยยู่เลยเจ้าค่ะอาจารย์แต่มีอยู่ช่วงนี้เจ้าค่ะอาจารย์ช่วงก่อนที่ดูรูปอ่ารูปผ่าฉกใช่ไหมคะที่เห็นเห็นหนังเผาไปแล้วมีมีไขมันแล้วก็มีเนื้ออยู่ข้างในเจ้าค่ะ ช่วงนั้นลองพิจารณาดูแล้วเหมือนว่าไม่อยากทานเนื้อแล้วก็ไม่ไม่อยากทานในนี้เจ้าค่ะอาจารย์อเราไม่ได้พิจารณาแบบนั้นพิจารณาเรื่องกินก็กินได้อะไรก็กินได้เพียงแต่อยากินให้มันมากทนั้นเองไปชิวที่จุดจริงไม่กินนั่นไม่กินนี่ก็เป็นกิเลสอีกแบบออืพิจารณาสุภาพเพื่อเห็นว่ามันไม่สวยงามร่างกายไม่ใช่เป็น มันไม่น่ากินแม่ไปพิจารณาคนละเรื่องเลยแต่ที่ว่าหมือนจะทานเนื้อคุณเจ้าค่ะอาจารย์เป็นนิสิติงเนื้อที่เราเห็นหนึ่งคุณเจ้าค่ะก็เลยไม่อยากทา น, น, น อ, อ, อะไรอย่างเยเป็นหมูอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนั้ก็พิจารณานอกรููนอกทางนั้นพิจารณาไปทางกิเลสเดี๋ยวเดี๋ย ว, ว่ากินอาหารไม่ได้ยุ่งยากเกินมากินมาตั้งนานกินได้ เอาไปพิจารณาร่างกายหนะ่อยไปดูสุภาพหน่อยการกินไม่ได้กันไว้นะเป็นคนละเรื่องก็มไม่ได้พิจารณาเพิ่มไม่ให้กินหรอก็พิจารณาเพื่อให้เกิดกามราคา ะ, คะกิเลสมันเก่งน ะ, ะ, ะ, ะกิเลสมันเก่งมันสามารถที่จะเอาธรรมะของพระเจ้ามันเพ่งกายเป็นกินเลสได้ <c oughs> เอาไปแคกินต้องกินผักอย่างเดียวกินแจงอย่างเดียวกินเนื้อไม่ได้แล้วนี่ก็เป็นปัญหาแล้วไปอยู่กับใครเดี๋ยวก็กินอยู่กับเขาไม่ได้ค่ะไม่เจ้าค่อาจารย์คือลูกเป็นแค่เอ่าพักเดียวเจ้ค่ะเป็นแค่อยู่ประมาณวันสองวันเองเจ้าค่ะก็พิจารณาพอเป็นอย่างงั้นพวกก็เลยไม่ไม่ไม่ได้พิจารณาอะไรเจ้าค่ะก็กลับไปกินได้ปกติเจ้ค่ะอืออเคันนี้ไม่ได้ไม่ได้สนับสลับไม้กินเนื้อนะ กิน ใ, ใ, ให้สันโดษกให้สันโดษยินดีตามมีตามเกิดกินอาหารอะไรก็ได้เอี่าไปจูที่จุกเก่งแต่ลูกทำปกติเจ้าค่ะอาจารย์เไม่ไม่กินเจกับเขาเจ้ า, อ, าจอ่ะอยูโคเกตีเ่เหมือนเหมือนเหมืนพังสองวเจ้าค่ะอาจารย์เขากินเจแต่ลูกไม่ได้กินเจเจ้าค่ะกินก็ได้ถ้าม่ถ้ามันมีให้กินก็กินได้เั้านั้นเจไม่เจให้ใช้ให้หลักสันโดษ อยู่ง่ายกิน ง, ง่ายอาจารย์นะโอเคหมดแล้วใช่ไหมอ่าอีกนิดเจ้าค่ะอาจารย์เรื่องฝึกสติเจ้าค่ะพระอาจารย์มีอะไรแนะ น, นําเพิ่มเติมมเจ้าคะก็อย่าคิดไงให้อยู่กับพุทธโธและอยู่กับร่างกายการเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับอ่าไปสิมันคุยกับตัวเองเจ้าค่ะอาจารย์มันคุยกับ ความคิดเออเอาหอมหมกไปกับความคิดอไอยา่อยางนีออ้อยา่าคุยอย่าคุยย้พุโทโธพุดโธดียว่าจะชวนคุยแล้วก็พุโทโธพูดโธวุทโธไปดีกว่าน้องนามาปฏิกว่าเจ้าค่ะจยามเจาม้าค่ะอาจารย์เดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกก็กลับลถไปแล้วเจ้าค่ะอาจารย์อยู่ปั น, นี้วันหนึ่งเจ้าค่ะโอเคาาคาับคุณครับขึ้นเจ้าค่ะขเจ้าค่ะไปที่สเปนคุณบัตลาพอนบัวส บัวสุก็เลยกลับนมัสุ ก, กานเจ้าค้าหลวงพอ่ออยู่กับความสงบเจ้าค้าหลวงพ่อเจ้าค่ะก็ดหลวงพ่อเจ้าค่ะอ่าคือลูกแบบสงบแบบจนบางครั้งอเห็นการเต้นของหัวใจแล้วก็แบบเห็นร่างกายอะค่ะเห็นแบบการเคลื่อนไหวแล้วบางครั้งคือลูกจะเจริญสติทั้งวันนะคะเวล า, าเดินอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ แล้วก็บางทีแบบสงบจนลูกแบบรู้สึกถึงแบบว่าเหมือนที่เหงื่อมันออกที่ผิวหนังอ่ะเจ้าค่ะหลวงพ่อมันมันมันมันรู้สึกได้อย่างนั้นเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะเรอแม ม, มันไม่สําคัญหรอกเรื่องความรู้สึกเหล่านี้ให้มัน <shades> ให้ใจเราสุขไม่ทุกข์กับเรื่องอะไรต่างๆดีกว่าตอ <sh arp? S 2> นนี้เราจะรู้ก็เฉยๆไปรู้ก็สักแต่ว่ารู้ไปไม่ต้องไป ให้ความสำคัญกับมันเจ้าค่ะหลวงพ่อให้รู้ว่าใจเราสงบไม่มีกิเลสไม่มีโลภโกรธหลงนั่นจะดีกว่าหลวงพ่อเจ้าค่ะเจ้าค่ะลูกก็เจ้าค่ะยังจะมาให้รู้กับรู้ไปแต่ไม่ต้องไปให้ความสําคัญกับมันนะลูกก็รู้รับได้ปุ๊บแล้วลูกก็ก็วางเจ้าค่ะเจ้าค่ะให้รู้ว่าใจเราสุบหรือไม่สุบอืม มีกิเ<อ>ลสหรือไม่มีกิเลสอย่างนี้ดีกว่าเจ้าค่ะถ้ามาันสมบ ал, มันก็จะไม่มีกิเลสไม่มีความโลกกรธหลงเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะก็สงบเจ้าค่ะแต่ก็ยังมีเหมือนที่พี่ยังมีอาหารยังมีเรื่องอาหารมั่งะเจ้าค่ะหลวงพ่อคือถ้ามันจําเป็นจะต้องกินก็อยู่กับคนอื่นก็กินไป อต่ถ้าเราอยู่แต่ถ้แต่ถ้าเราอยู่ของเราคนเดียวเราไม่กินกั็ก็ก็ดีไปค่ะอันนี้คือปัญหาของลูกเลยเราจะคลุ่งพ่อเหมือนแบบเรายังอยู่ทางโลกอะแล้วเหมือนมองหน้าเขาอ่ะโอเคไหมอยากก็กินหน่อยกินเป็นพิธีอะกินคำสองคาก็ได้ไม่ต้องกินเหมือนแบบเหมือนต้องขออนุญาตเพราะว่า มันเหมือนบ้านเราเป็นนักธุรกิจแล้วมันเหมือนเวลาที่จะเจอกันคือตอนดินเนอร์อย่างเงี้ยเจคะหลวงพ่อมันเลยการเจ้าค่ะอย่างเราก็ต้องมองหน้าเขาว่าเฮ้ยวันนี้เขาดูโอเคไหมก็ลองเราเปลี่ยนทิ้งทันยักินก่อนที่จะกินดินเนอร์ไทยก็ได้ทั้งหมดทั้งเหมือนแบบแบบของอิสลามเขาก็ไม่กินในช่วงที่พระาทิตย์ยังไม่ยังไม่ตก ได้ใช่ไหมเจ้าคะหลวงพ่อได้มากินมื้อเดียวได้แล้วก็กินมื้อเดียวมันก็เท่านั้นแหละเพราะลูกเช้าเช้าอย่างเงี้ยลูกก็ไม่อย่างตอนนี้มันค่ไมกินอะไรก็ติดน้ําผลไม้อะไรไปก็ได้ต่างเพราะว่าแล้วก็กินอาหารมื้อเดียวถ้าจําเป็นจะต้องกินตอนเย็นก็เปลี่ยนเป็นมาตอนเย็นก็ได้เจ้าค่ะเพราะว่าลูกก็จะแบบตอนเช้าเพราะว่าหลวงพ่อเทศเพรที่นี่ก็แปดโมงเช้าใช่ไหมคะพอะลูกก็ ก็จะฟังยาวไปถึงก็จะทานเริ่มทานแบบก็ปฏิบัติทั้งวันไปพอถึงเวลาเย็นก็ปิ้นข้าเสร็จก็เข้านอนไปเลยใช่ใช่สักคะหลวงพ่อแล้วก็อย่างวันนี้สักคะพมุ่งวานลูกเขมองดูเขาอารมณ์ดีนะวันนี้ไม่ไม่มีบ่นไม่มีด่าซีอโอก็เลยบอกพรุ่งนี้ถ้าไม่กินดินเนอร์นะหลวงรีบบอกก่อนรีบบอกไม่ล่วงหน้าก่อนเลยค่ับวางกัน ไห้เป็นแบบนั้นเจ้าค่าหนวงพ่อแต่ว่าลูกสงบเจ้าค่ะสงบแล้วก็เดินทั้งวันเจ้าคะ่ะที่บ้านมีที่ให้เดินเยอะลูกก็เดินขวาย่างหนอซ้า้ย่างหนอพุทโทอะไรของลูกไปเจ้าคะ่ ะ, คะอจักการหลวงพ่อเจ้าค่ะเจ้าค่ะมีแค่นี้เจ้าค่ะอืแล้วสงบเจ้าค่ะยิ่งยิ่งอยู่คนเดียวมันแบบอืมันพบความสงบที่มัน มันเย็นมันสงบจงพอเมื่อวันพารที่ผ่านมาลูกลูกลองใจตัวเองว่าถ้าลูกเตรียมตัวจะไปจะไปขึ้นทางด่วนแล้วต้องไปอยู่ในกระท่อมที่มันเล็กๆเหมือนที่บนเข า, านีแ ล, ลูกจะอยู่ได้ไหมแล้วลูกก็บอกเขาว่าออขออนุญาตแล้วลูกก็ไปนอนในห้องน้ำนะคะจงพ่อแล้วมันพรสงบสิคะหลวงพ่อ ดีมากน้อยสันโดษดีค่ะก็แบบมันมันรู้สึกมันสงบจังเลยอ่ะมันมันสงบมันมความสุขมันสงบมันเย็นมันเงียบมันมันเป็นคําที่อธิบายแบบว่าเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะอันนี้เราไม่ต้องอธิบายให้ลูกของเราคนเดียวก็พอเจ้าค่ะตลวงพอพูดยังไงก็เลยเขาก็ไม่รู้ถ้าเขาไม่ได้ปฏิบัติเขาก็ไม่รู้เจ้าค่ะหลวงพ่อลูก ลูกก็ก็ถ้บเดี๋ยวบอกคนอื่นแล้วก็ก็จากเขาว่าเพี้ยนหรือเปล่าเขายิงว่าคุณกีแบบเหมือนแบบเพี้ยนไปแล้วไม่ยุ่งกับใครไม่เป็นเป็นคนสวยแบบทุกอย่างต้องเพอร์เฟกเดี๋ยวนี้ไม่มันพอมันวางแล้วมันไม่เอาเลยเมันไม่มันไม่ใจมันไม่เอาอะค่ะหลวงพ่อต้องขาดต้องขาไป ไปร้านทาผมไปสระผมนี่เจ้าค่ะหลวงพออ่อจอสัปสานทุกเจ้าน้องเลียวกลับมากลับไปตรงนี้แล้วเลยเจ้าคหลวงพ่อวันศุกร์กลับมาเจ้าค่ะ okay. ขอบพระคุณหลวงพอ่อขอให้หลวงพอ่อมีธาตุขันแข็งแรงอยู่กับลูกหลานอยู่เกินร้อยี่สิบปีนะเจ้าค่ะหลวงพออ่อสองร้อยเลยไม่ดีกว่าร้อยยสปีมันค่ พวกข่านิมนต์อะไเจ้าค่ะเรให้หลวงพ่อมีว <c oughs> ด, ด้วย น, นะเจา้าค่ะสอง้ปีก็อยู่แบบมัมมี่ไงอยู่แบบมัมมี่สาธุเจา้าค่ะหลวงพอ่อขอบขอบคุณเ <Okay. S 2> จา้าค่ะสาคุณยินดีแคนเซสเลิฟเลิบเปล่าดีหน่อยตอนนี้ค่ะท่านอาจารย์อยู่ที่แคนซัสค่ะท่านอาจารย์ที่เดิมค่ะค่ะไม่มีอะไรค่ะท่านอาจารย์ก็ หนูกับเดบวตก็เข้ามากราบท่านอาจารย์แล้วก็บอยซ้องเต้นท่าอาจไปอยู่อเมริกามาแล้วเป็นไงลูกเสร็จไงบ้างก็ก็สบายดีค่ะท่านอาจารย์ชอบไหมชอบอเมริกาไหมอืม ถ, ถ้าถ้าสมัยก่อนนะคะตอนเด็กๆก็ชอบอะค่ะท่านอาจารย์คิดว่าแบบเ้าแลเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนเมืองสิวิไลอะค่ะท่านอาจารย์แต่พอมาอยู่จริงๆ มันที่ไหนก็เหมือนกันบ้านเราดีกว่าค่ะท่านอาจารย์อ mm hmm. ค่ะคือมันนึกถึงเรื่องคือทุกคนพอมาดูโฮมเลสอะคะ่ะท่านอาจารย์มันเยอะขึ้นอะคะ่ะก mm ็เลยมีความรู้สึกว่าแล้วก็ที่เขากําลังที่ว่าตอนนั้นที่ช่วงเอ่อโอบาระเอ่อโอบามาแคร์ค่ะท่านอาจารย์ mm hmm. เขาก็บอกว่ามันมันมันไม่เวิร์กเหมือนที่เขาไอ้นี่แต่บ้านเราตอนนี้ก็ เราไม่พัฒนาแต่ตอนนี้บ้านเรามันทุกอย่างมันหนูว่ามันบริบูรณ์มันเกือบจะบริบูรณ์นะคะมากกว่าเขาซึ่งเราแซงเข้ามาเยอะมากเลยนะคะท่านอาจารย์โอเคค่ะท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์ก็ไม่มีอะไรคะ่ะลูกขอบคุณท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์ขอบคุณอาจารย์อย่างสูงค่ะท่านอาจารย์วังสองเต้นะค่ะท่านอาจารย์ค่ะขอบคุณท่านอาจารย่ะดี อคุณโยมหญิงเชิญยังผมยาวขึ้นแล้วนะค่ะพระอาจารย์กับมุธการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้อยู่กรุงเทพต้องรีบเข้ามากราบพระอาจารย์ค่ะอืมค่ะพระอาจารย์ขาพระอาจารย์สบายดีนะคะพระอาจารย์อย่างเวลาโยมมีแบบเหมือนมีปัญหาเป็นเรายังเป็นกุฎุชนนะพระอาจารย์บางทีบางมันมีบางเรื่องที่มากระทบเราแต่พออย่างอย่างวันเนี้ยพอมีบางเรื่องมาแล้วรูว้สึกว่ารู้สึกว่าเราเบือ่อเราเซ็งพอโยมเห็น คลิพระอาจารย์นะคะโยมนั่งดูแป๊บเดียวโยมกลับไปเหมือนเดิมเลยค่ะสบายใจปกติเลยค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์เป็นธรรมะให้กับลูกศิษย์ทุกคนเลยค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกำลังใจนะเจ้าค่ะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเลยค่ะพระอาจารย์ก็รู้ว่าเอามันมากระทบแล้วก็ปล่อยมันไปเลยค่ะแต่ว่ามันก็ยังมีอารมณ์บางช่วงที่เราเรายังเรายังวางไม่ได้พระอาจารย์แต่ก็ฝึกไปเรื่อยๆยค่ะแต่ว่าเห็นพระอาจารย์โยมหายหมดเลยอืค่ะน<า>ี มีลูกสาวมานั่งข้างๆอยากหลอกจับพาจารย์เจ้าค่ะอ่สดีจ้ะเป็นยังไงกับห้านลูกลูกหนูเป็นยังไงบ้างอากรารก็อยู่กันมา เ, ออเกือบสองเดือนแล้วค่ะแต่ว่าเหมือนเราจะทำใจได้แต่ก็ทำใจไม่ได้มันมันวนไปนกันโลกนี้มันยากอย่าไปยา อ, ย า, อ ย, าปยากให้มัน perfect โลกนี้มันไม่ perfect อ๋อใช่ค่ะ ย, ยินดีตามมีตามเกิดเได้แค่นี้ก็ดีแล้ว <S 1> <S 1> <S ดีว่ามันไม่เร็วกว่านี้ก็ได้เราแบบเหมือนแบบเราตั้งใจจะทําให้ดีที่สุดไอ้การตั้งใจทําให้ดีที่สุดเนี่ยมันทําให้มันมเครียด <S <S ตอนได้เพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ตามที่เราตั้งใจใช่คะ่ะยั่งต้องตั้งใจใหม่ทําให้ดีที่เท่าที่เราทําได้ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นค่ะ แเราก็จะไม่เครียดต้องฝึกกี่เยอะเลยค่ะเพราะยากมากเลยค่ะเพราะว่า แ, แ, แล้วตัวลูกเขาเขาเป็นยังไงกี่ขวบแล้วตอนนี้สามขวบห้าเดือนนะคะเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเขา ไ, ไม่รู้เรื่องใช่เราก็ถา ม, ว, ถามว่าเออหนูว่าเบาหวานมันทําให้หนูใช้ชีวิตยากขึ้นไหมอะไรเขาบอกไม่เขาไม่รู้สึกอะไรเลยอะไรต้องคอยฉีดอินซูลินเขาทุกวันเลยใช่ค่ะวันละสี่เข็มเนี่ยค่ะแล้วก็เจาะปลายนิ้วบ้างแล้วก็ติดติด เครื่องที่คอยเหมือนดูน้ําตาเขาตลอดเวลาเพราะว่าเขาเด็กเวลาพาเขาไปโรงเรียนหรือเขาน้ําตาต่ําอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกเราไม่ได้เขาก็จะช็อกไปเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องติดเครื่องเขาไว้ตรงติดต้นนีนก็เครียดมาแล้วแบบว่าพอติดแล้วบางทีมันมันเหมือนมันไม่สําเร็จเนี่ยแบบว่ามันติดแล้วแบบเข็มมันไม่เข้าไปหรือว่ามันหลุดหรือมันอะไรก็สงสารลูกเหมือนกันค่ะแล้วใครฉีดให้เวลาที่ เขาไปโรงเรียนเนี่ยนะมันเขาพอดีเพิ่งให้เขากลับไปโรงเรียนนะคะก็เลยโรงเรียนยังให้แม่เข้าไปฉีดให้เขากอนให้เขาแบบปรับตัวแต่ก็พยายามสอนเพราะว่าเออเดี๋ยวอีกหน่อยอะ่ะก็จะเป็นพี่พยาบาลมาฉีดให้นะเขาฉีดเก่งกว่าแม่อีกอะไรเงี้ย แม่ฉีดเช่นคนเดียวแบบพี่พยายามฉีดมาเป็นเป็นหลายคนเลยแบบเจ็บน้อยกว่าก็พยายามเหมือนกล่อมๆเขาให้เขาแบบรู้ว่าเออเดี๋ยวอีกหน่อยแม่จะไม่มาฉีดแล้วนะเดี๋ยวจะเป็นเนื้อมาฉีดให้เขาให้เขาแบบค่อยๆปรับตัวไปอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็ไม่ชอบการฉีดใช่ไหมเขาว่าอืมเขาถือว่าเป็นเด็กที่เก่งมาเลยค่ะก็คือแต่ก็คือเขาก็จะงองแงตามภาษาเด็กว่าทําไมหมอม้ากินข้าวได้ไม่ต้องฉีดทําไมน้องกินข้าวได้ไม่ต้องฉีดเขาก็จะมีคําถามเนี้ยค่ะ เพราะว่าเขาเห็นแล้วเขก็แบบ mm hmm. เออทำไมแต่ก่อนเล่นกินไม่เห็นต้องฉี่เลยอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. แต่ว่าคิดว่าอายุสามขวบครึ่งคําถามเขาจะจะไม่ยากเท่าไหร่มันน่าจะยากตอนเขาสักสักห้าหกหกขวบเลยน่าจะยากขึ้นไปตอนที่เขาเริ่มรู้เรื่องเห็นเพื่อนกินอะไรเงี mm ้ยค่ะแต่เราก็พยายามสอนเขาว่าไอเวลาเพื่อนกินกันหนูกินได้ทุกอย่างแค่หนูต้องรู้จัก โลกตัวเองรู้จักรู้จักห้ามใจตัวเองคือโลกนี้เราต้องมีวิ น, นัยแล้วก็หลักตัวเองแบบอย่าให้อารมณ์โชว์วูบของตัวเองมาแบบทําทําให้ตัวเองต้องรับผลที่ตัวเองทําไปในอารมณ์ชั์วูบอะไรประมาณเนี้ยคือพยายามจะต่อยให้เขาแบบให้เขามีสติรู้ทันว่าถ้าเขาทำแบบนี้เขาจะได้อะไรถ้าทขาแบบนี้เขาจะได้อะไรอืมแต่เขาคงจะต้องเรียนรู้เองเพราะบางทีใจเขาก็อยากเขาก็บางทีก็ห้ามไม่ไหว ใช่ค่ะ<ร>ก็กินไ ป, ไปแล้วถึงเรรู้ทีหลังอ้อมกินไม่ได้นะมากเกินไปใช่ค่ะตอนนี้ยังเด็กเขายังเชื่อฟังเราโตขึ้นไปก็เราก็ทําเท่าที่เราจะพูดได้เนี้ยื่ใช่อันนี้เขาทำใหดีที่สุดเนี่ยทำให้ดีที่สุ ด, ด, สดถ้าที่เราจะทําได้ยากยากยากมากเลยค่ะแบบที่จะทํำอยู่ตรงที่เราไม่เครียดแต่ก็คือโอเคเราเครียดตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะพยายามปล่อยแต่แต่เราก็ เครียดดูดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่รู้จะเราไปมั่นก็ชินเองอะมันก็ค่อยๆปรั บ, ป ร, บปรับไปแต่ดีขึ้นดีขึ้นเยอะค่ะเพราะว่าน้ำตาลเขาก็โอเคด้วยเหมือนเราพยายามทำแล้วเขาก็แบบสิ่งที่เราพยายามทำมันก็ออกมาได้ได้โอเคได้ดีแล้วก็มีกำลังใจ yeah. แต่โลกนี้มันยากจริงๆไม่มีวันให้เราพักเลยค่ะยิบสี่ชั่วโมงเจ็ดวันเราต้องแบบดูแลกันโอเค <ผม S 2> อของแม่กาของแม่ของลูกโอเคนะค่ะหาถึง่าึ ง, งเอ่อพระอาจาร ย, ย์ค่ะจริงคนควรถามพระอาจารย์นิดนึงคะ่ะพระอาจารย์ตอนที่ยอมไปอินเดียคะ่ะเวลายยมพวก กลุ่มเรานั่งปฏิบัติธรรมะอ่ะนะค่ะพระอาจารย์ทําไมคนอินเดียค่ะเขามองเราเหมือนตัวประหลาดพระอาจารย์เหมือนเขามองเราเขาก็ยิ้มปล่ะยุกกล้องขึ้นมาถ่ายเราเงนี้ยค่ะเราทําตัวไม่เหมือนเขาเลยเพราะว่าเขากับเราคนศาสนากันวิธีการบาเพ็ญนี่ไม่เหมือนกันปฏิบัติไม่เหมือนกันก็เลยดูเป็นของแปลกไปพระพุทธเจ้านุนทําไมเขาไม่ได้เป็นเหมือนไม่เป็นพุทธศาสนาเหรคะพระอาจารย์ ออินเดียยมันมีศาสนาหลายลัทธิด้วยกันพระพุทธเจ้าเขาเกิดไม่ได้เกิดมาในพุทธศาสนาตอนนี้พระุทธเจ้าเกิดไม่มีพุทธศาสนามีแตมีแต่าศาสนาพราหมณ์นี่ยอ๋อลับอ๋อไม่หน้าค่ะพระเจ้าโยมก็แปลกใจว่าอืทุกคนมามองเราเหมือนตัวประหลาดเงี้ยพระเจ้าเขาก็ยกโทรศัพท์มาถ่ายกันเนาะ อ, อะไรแวโยมก็คิดแปลกจังทําไม ในอินเดียตอนสมัยบ่ายนี่ก็ mm. พุทธก็แทบจะเหลือนิดเดียวแล้วนึ่คนส่วในใหญ่ก็เพีนอินดูกัน oh, อินดูดและอิสลามนับถือที่เป็นรูปรูปเทวรูปต่างๆนี<อ>่เดี๋ยวพระศิวะพระอะไรเนี่ยพวกอินดูอ๋อค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวก็โอ้ถ้าแตกกันทูกเป็นจ้องเราขนาดนี้ทำไมมองพวกเราแบบ mm hmm. จ้องมากเลยพระชาย <laughs> เขาเขาไม่ร like ู้หลักพุทธกยาเขาอยู่พุทธกยาเขาก็ไม่รู้ความหมายของพุทธกยาเป็นอะไรอ๋อที่โยมไปโยมไปกุสินาราโยมจะเข้าไปปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าปฏิบิพานทุกวันนะคะตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นแล้วก็เข้าไปในไปในในสถูปของของพระพุทธเจ้าด้วยค่ะเขาก็มองตลกมากเขาก็หัวเราะกันที่คัดที่คัดค่ะเข้าใจแล้วค่ะพระอาจารย์ค่ะกับสาธุพระอาจารย์ขอพระอาจารย์ทักแข็งแข็งแรงด้วยเจ้าค่ะสาธุจ้ะ อืมอืมไบที่น้องอ้อมน้องอ้อมบอวินเป็นยังไงหายไปหลายอาทิตย์ไม่เข้ามาเลยนมัดการค่ะสบายดีค่ะพระอาจารย์อมืมีอะไรไหมไม่มีคําถามค่ะมากาบพระอาจารย์ค่ะแล้วเมื่อไหร่จะขึ้นไปต่อสู้กับกิเลสอีก <c oughs> อ่ะยังไม่ได้วางแผนมนกไมไ่วางแผนเลยต้องกเกล็ต้งเกล็ต้องเล็ดว ง, งกันไว้ไม่ให้วางแผนเนอ ยังพอมีปัญญาคุมอยู่ค่ะอาจารย์ยคลุมได้อยู่นะโอเคค่ะ okay. ได้ปัญญามาจากข้าอาจารย์โอเคค่ังสารู้กนคุณเกดบัณฑิตคุณเกดคุณหนังเป็นยังไงสบายดีแล้วนรัศการครับเพิ่งตรวจเจอเป็นโควิดมาท้งแรกเลยครับอสองคีดเลยนะครับ มีอาการ<ง>ตื้อตื้อๆต้อตั้งแต่เมื่อวานครับหลังจากกลับไปอยากทัวทําบุญผ่าป่าซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ปัวครับโรงพยาบาลปัวครับอาจารย์มือนมีอาการเหมือนเป็น <c oughs> ตอนจะเป็นหวัดหรือเปล่าห ร, ห ร, หรไม่เหมือนกันคล้ายๆเลยครับคล้ายๆเนี่เพราะว่าเคยเป็นลักษณะ น, นี้มาครั้งหนึ่งแหละครับอาจารย์แต่ตรวจก็ไม่ขึ้นครับแต่ครั้งนี้ขึ้นสองขีดสองครั้งเลยครับอืก็เลยไปรับยาแล้วก็ก็เลยเข้าใจที่อาจารย์สอนครับว่าการบ้านมันต้องฝึกทุกวันไม่งั้นแบบ ขนาดเป็นขนาดนี้มันยังแบบมันยังมีปัญหาต่อการปฏิบัติเลยครับข้อสอบมันมาเมื่อไหร่เราไม่รู้เนี่ยใช่ครับนี่ขนาดเป็นเป็นเหมือนบทดสอบง่ายๆ ย, ยังเรายังรู้สึกเลยครับถ้าเจอแบบโหระดับที่เขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายคงแบบถ้าไม่ทํากันบ้านก่อนก็นคงหนักครับอาจารย์พยายามมันพิจารณาเยอะเรลยใช่ครับแต่ก็<อ>เก็บคามตายนะใช่ครับก็ได้ฟังธรรมจากพอาจารย์ครับแล้วก็ เออก็ให้รูู้ตัวมันไปมันก็สังขารมันจะปล่อยมันไปมันไม่ใช่ตัวเราของเราแต่ันไม่ได้มันจะเป็นอะไรก็ห้ามมันไม่ได้ก็ถือโอกาสได้ปฏิบัติอยู่ที่บ้านครับ ม, มีหน้าที่ทำใจสงบเยียงเดียวปล่อยวางครับก็ได้ไปทำบุญก็พาแม่ไปด้วยครับไปหลายจังหวัดไปไ ป, ไปที่นัานเป็นหลักครับ วัดพุทธชินราเสร็จก็ไปที่หน้าไปเน้นทำบุญทาทาบุญครับก็ mm hmm. ถือว่าเหมือนได้ไปกะกระยาณนี้นะครับเขาก็ทำบุญนะครับมีโอกาสได้เดินจงกมที่วัด น, นาวงหรือที่ยมเปิดปัวเลยครับอืมอ mm ื hmm. mm hmm. แล้วก็เหมือนกับพอปฏิบัติเสร็จจะนอนปุ๊บมีอุบัติเหตุผู้หญิงเมาขับรถมากระบะามาก่อนเดียวครับแล้วก็ชนหน้าวัดเลยครับชนต้นมาแต่ไม่เสียชีวิตครับอืม mm hmm. ก็เเราได้ใช้สติเออ เราต้องโทรหนึ่งหกเก้าเรียกเจ้าหน้าที่อะไรอย่างนี้ครับแล้วเราก็คอยอ่าและเอกสารให้เจ้าที่คอยโทรประสานงานครับ<ม>ก็สุดเออก็ส่งโรงพยาบาลทันครับอ่อจามโดนเมาแล้วขับก็เป็นอย่างเนี้ย <laughs> ใช่ครับพ่อจาย์เมาแล้วก็ไม่มีสติจริงครับแล้วแถมตอนเราึ้นรถก็ยังอ้วกออกมาด้วย <laughs> เป็นผ<ม>ู้หญิงด้วยนะครับอืม อันนี้เราก็ต้องกักตัวเราเ่ยไปไปทำงานไม่ได้ไปไหนไม่ได้ใช่ใช่ครับก็ต้องกักตัวแล้วก็ห้าวันครับอยู่อยู่ที่บ้านห้าวันแล้วก็ไปทำงานได้แต่เชื้อจะหมดติดจริงสิบวันใช่ครับใช่ครับอาจารย์ก็ถือว่าได้ข้อสอบมาครับอาจารย์ ยังไม่มีอาการรุนแรงอะไรเลยเอ่อวันนี้วันแรกเลยครับราาอาจารย์ก็เลยยังไม่รู้ว่าจะยังไงแต่แต่ด้วยความที่ผมฉีบวัคซีนมาในปีก่อนๆฉีดมาห้าเข็มครับอาจารย์อืหมอก็บอกเออก็ถ้าเกินสามเข็มแล้วก็ถือว่ามันมีภูมิแล้วแล้วก็ช่วงนี้โควิดมันไม่ได้แรงเหมือนเมื่อก่อนครับอาจารย์อืมวันน่าจะเอาอยู่นะแต่หมอค่อยยาต้านไวรัดมาเลยเอ่อ หมอไม่ได้ให้ยาฆ่าเชื้ออะไรมานะครับเขาบอกว่าเอาอยังดูแข็งแรงครับก็ให้กินตามอาการแก้เจ็บคอแก้ไอคือคล้ายๆวัดเลยครับแต่ว่ายาจะแรงกว่านิดนึงครับพราจารย์ครับโอเคขอให้หายเป็นปกตินะครับขอข้าแันพราจารย์แข็งแรงครับอร่าครับคุณ น, นิมมอลิกาดาราที่ว่า กรรมนมาธการเจ้าค่ะ้าจา์วันนี้มาร่วมฟังธรรมรักษาผ้าจา์เจ้าค่ะไม่มีคำถามนะครับอ า, าจาราาย์อาจารยนแนนอุดรธานีช่วยงานแน น, แนแกรรมนรมาการค่ะพระอาจารย์ไม่มีคำถามค่ะอีมีมา ย, ย่างไรคุณมาลีต่อมาลีมาลีวุฒากาญม่ย่าพ่อค่ะอืมมายังไง อาลีบาตกัน ค, ค่ะก็ไปอยู่วัดนาเหมือนเดิมค่ะไปอยู่วัด น, นาวัดไหนวัดที่เคยไปนะใช่ค่ะวัดนรสปาง ท, ที่อยู่เ่ค่ ะ, ค ะ, คะ ด, ดีมากคุณเสียงมันก็มันเบาไปหน่อยพูดใกล้ๆหน่อยนะเสียงมันไม่ค่อยชัไดได้ยินไหมคะตอนนี้ได้ได้ยินไมคะห้องอดีขึ้นหน่อย ก็ดูเส้นทางก็ไปก็ไปปฏิบัติแล้วก็ <c oughs> มันคทําำให้ใจเรารับกับทุกสิ่งทุกอย่างกับความทุกข์็เหมือนเรารับได้รับเข้าใจได้อย่างเนี้ ม, มันมันเหมือนอยู่ได้ใช่ทุกอย่างมันก็เป็นไปตามเรื่องของมันเราอย่าไปอย่าไปมีอะไรกับมันมันมาก็รับอยู่กับมันไป ดีเชืกั ม, มันก็เป็นเรื่องของโลกเหมือนเหมนี้ทําให้ใจมันวางไปาหลายเรื่องได้อะค่ะหลวงพ่ อ, อดีค่ะหลวงพ่อเดี๋ยวก็สาวสาวยุดสามวันนี้หนูก็จะไปที่เขาอะค่ะหลวงพ่อไปที่เดี๋ยหยุดบาคาบูชาสามวันวันจันทร์ด้วยใช่ไหมก็ช่วง <c oughs> <c oughs> ช่วง น, นี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ไปไหนก็ทัวร์วัดแล้วก็ปฏิบัติอย่างเนี้ยไม่ไม่ไม่ได้ว่างเลยอค่ะเหมือน่องทัวร์วัดปฏิบัติอะไรพยายปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จมากได้นะค่ะหนูเมื่อกี้หนูฟังหลวงพ่อเทศแล้วหนูรู้สึกว่าเหมือนเวลามันจะหมดแล้วอะค่ะหลวงพ่ อ, อมไม่ถ้าเรายังไม่ไม่หมดเรายังทําไม่จบอย่างเนี้ยมันไม่รู้ว่าเราจะได้มาเกิดรือไหมหรือว่าเกิดแล้วจะต้อง ไม่ได้เจอพู้ศาสนาอีกนี้นก็ลำบากอยี่ น, นี้วใช่ไหใช่อนนี้เรามีโอกาสมีครูบาอาจารย์มีพระพุทธพระธรรมพระสงรีบรีบเอาประโยชน์ให้เต็มที่ดีกว่าไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับการปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ทำอย่างอื่นก็ไม่มีวันพ้นทุกข์ได้ ทำทำอย่างอื่นก็ฟองเอาไว้แค่แค่แค่ที่เรามีชีวิตอยู่แค่นั้นนะคะหลวงพ่อมันมันมันมัน<ด>ช่วยเราไม่ได้ไม่ได้ก็เลยหนูก็เลยมุ่งมุ่งไปอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อจะพยายามจะพยายามให้มากที่สุดนะคหลวพ่เออเด็ทำอย่างถูกแล้วพอมีวันหยุดก็ไปไปวนันไปวัดได้ก็ไปนะ แล้วเวลาไปอยู่ที่วัดนะคะหลวงพ่อที่สดีพระท่านจะมีไปทุดงไปอะไรเงี้ยค่ะหนูก็จะอยู่ที่ศาลาคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อก็ปฏิบัติตลอดค่ะหลวงพ่อก็นอนนอนน้อยอะไรเงี้ยค่ะก็ทําเต็มที่และพระที่เหลือท่านก็จะไม่ไม่ให้ใครมากวนไม่ให้ใครมายุ่งอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อเวลามีแขกมีอะไรมาเงี้ยก็ไม่ให้มายุ่งให้ปฏิบัติออ แสดงท่านก็ท่านก็เข้าใจว่าการปฏิบัติมันต้องต้องปิดวิเวกและต้องไม่คุกคีกันอ่าหลวงพอ่อแล้วพอพอพักหรืออะไรเนี้ยท่านก็จะเดินมาถามว่าเออเป็นยังไงแต่ว่าออกไปคุยที่แบบที่ข้างนอกนะคะหลวงพอ่อมีคนอื่นอยู่อะไรเนี้ยท่านก็จะถามว่าเป็นยังไงติดอะไรไหมอะไรเนี้ยคะ่ะอืมแล้วก็มีเทศเรื่องธรรมะให้ฟังเป็นช่วงๆอย่างนี้คะ่ะ แล้วที่เหลือก็ปฏิบัติตามหลวงพ่ออืมดีมากโอเคตามต่อไปนะหลวงพ่อขอบพระคุณหลวงพ่อมากๆค่ะสาธุอจารี์คุณเน็ตคุณเน็ตกับคุณตาสวัสดีครับนัสรการครับพระอาจารย์ครับเป็นยังไงสบายดีนะ สบายดีค่ะยอยากเข้ามากราบพระอาจารย์ค่ะออยากเข้ามากราบพระอาจารย์ทุกสัปดาห์เพื่อให้ตัวเองได้อยู่ในกระแสธรรมทับพระอาจารยเออ์เชิญเข้ามาได้ทุกวันพุธนะตรงนี้พระพระอาจารย์สุขภาพแข็งแรงดีเป็นปกติแล้วใช่ไหมครับเพราะสัปดาห์ก่อนอพระอาจารย์ป่วยด้วย อ, อสัปดาห์ที่แล้วเป็นไข้หวัดนี่ยตอนนี้หายดีแล้วอ๋อครับ วันวันนี้มีคําถามอยากเรียนถามพระอาจารย์ครับอย่างอย่างผมเองก็เรื่องอ่าสี่หาก็เป็นประจำแต่เรื่องเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นปกติอยู่แล้วนะครับแต่ศี่แปดอาจจะยังไม่ยังมีกิเลสมามาเป็นตัวต่อป้านอยู่ส่วนเรื่องภาวนานี่กอ็อาจจะยังน้อยอยากให้อาจารย์พระอาจารย์เมตตาแนะนําการภาวนาในในคนที่ยังอยู่ในทางโลกหรือว่ายังมีกิจวัตรประจําวันที่ยุ่งเหยิงว่าควรจะ ควรจะทำแบบไหนเพื่อจะเป็นรากฐานให้ได้พัฒนาต่อไปครัะอาจารย์ก็พยายามทาเท่าที่เราทำไว้ก็อย่างน้อยก็ควรจะมีวันวันละครั้งสองครั้งหาเวลาไหนที่สะดวกสิบนาทีสิบห้านาทีก็ยังดีทำตอนไหนก็ได้ที่มันทำบางทีให้ทำก่อนนอนบางทีมันก็ง่วงนอนทหลังจะตื่นเช้าขึ้นมาก็ไม่มีเวลาจะรีบไปทำงานทำอะไร เราต้องหาเวลาต้องต้องต้องมีการจัดตารางครับมันถึงจะทําได้ถ้าเราไม่จัดตารางมันก็จะไม่ได้ทำครับก็ไม่ต้องไม่ต้องตั้งไม่ต้องนั่งนานถ้าเรายังใหม่ๆเอาสักสิบนาทีก่อนสิบห้านาทีก่อนแล้วถ้ามันได้ผลดีก็อาจจะนั่งให้มันยาวขึ้นไปกว่านั้นก็ได้แต่เขาสําคัญต้องฝึกสติต้องมีการควบคุมความคิดมาก่อน พยายามฝึกสติอยู่เรื่อยๆคอยควบคุมความคิดอย่าไปให้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ทํางานก็ให้จดจ่ออยู่งานที่เราทําเคลื่อนไหวก็ให้มีการจดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายไปอย่าไปให้ใจคิดเรื่อยตัวจะใช้คําบาลีคำพุโทโธพุธโทโธช่วยก็ได้อย่างเงี้ถ้าเวลามานัาสมาธิมันก็จะมีสติทําให้นั่งได้ได้สบายไม่อึดอดัด ถ้าไม่มีสตินั่งได้แค่นิดเดียวมันก็อึดดัดแล้วมันไม่เคยนั่งมันไม่เคยอยู่เฉยๆครับก็ก็หมายความว่าก่อนเราจะมานั่งสมาธิอะไรนี้เราก็ควรมีการเจริญสติในตลอดทั้งวันเท่าที่เป็นไปได้มาเรื่อยๆเลยใช่ไหมใช่ถูกต้องตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอตื่นเช้าขึ้นมาก็เอาเลยพุทโธไปก็ได้เฝ้าดูร่างกายเราก็ได้ว่ากำลังทําอะไรอยู่ อยู่กับงานที่ร่างกายทำอยู่ล้างหน้าแปลงฟันก็ให้ล้างหน้าแปลงฟันไปอย่าไปคิดเรื่องอื่นแล้วฝ oh. ึกอย่างนี้แล้วก็มันเวลานั่งสมาธิมันก็จะนั่งไดง่ายมันไม่รู้สึกเหนดอัดนั่งได้สบายเวลานั่งก็ต้องดูตัหมายใจเขา oh. ถ้าดูได้ถ้ายังดูไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดไปภายในใจสวดบทอิทิปิโสก็ได้ ส่วนส่วนลายซ้ำๆกันได้พุทธทางสั ง, งนิษฐานมิธรรมสังนิษฐานมิไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าจะดูรมหายใจได้ก็ดูลมหายใจต่ออย่า ง, างอย่างออยอย่าย่างางงถ้าเราจะใช้วิธีเอฟังเทปธรรมะของครูบาอาจารย์ต่างๆก่อนอย่างนี้พระอาจารย์แนะนำไหมครับหรือหรือว่าเราน่าจะเป็นพุทโธมากกว่าครับอก่อนที่จะนั่งสมาธิอะครับ คือมันอยู่ที่ว่าเรามีเวลามากน้อยเท่าไหนถ้านั่งฟังเทศมันต้องใช้เวลา น, านพอสมควรครับแต่ถ้าเรายังนั่งนั่งดูลมไม่ได้พูดโัไม่ได้ก็อาศัยการฟังเทศไปก่อนก็ได้นั่งฟังเทศไปก่อนก็ได้ครับก็ขอบคุณพระอาจารย์ครับจะน้อมนำไปไปปฏิบัติตามแล้วพัฒนาต่อไปครับเพราะว่าเราดูเพื่อนเพื่อนดีกัลยานามิตรในห้องนี้ก็หลายๆายท่านก็มี มีมีแบบมีเป็นแรงบันดาลใจให้ให้ให้ผมพัฒนาต่อไปด้วยครับครับมังว่าคงจะได้ผลนะในการปฏิบัติครับครับค่ะหนูก็ปฏิบัติทุกวันค่ะเออไว้พยายามทําให้ได้ถ้าทำแล้วเนี่ยผลมันก็ต้องเกิดหนึ่งแต่ถ้าเราไม่ทํานี่ยผลมันก็จะไม่เกิดนะครับโอเคสาธุครับขอบคุณค่ะกรอ่นนักการครับอไปที่คุณปุ้ยนักสำรวจ เป็นยังไงอาบนมัสการค่ะพระอาจารย์ mm hmm. คุณผู้หิสบายดีค่ะพระอาจารย์ mm hmm. เหมือนเดิมค่ะ mm hmm. ถือศีลเจ็ hmm. ดรงวัลหลังหกโมงถือศีลแปดค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ไม่กิเลสค่ะ mm hmm. ตัวขี้เกียจเริ่มออกไปตอนนี้มีความขยันมากกว่าเจ็ดสิบห้าปเซนค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์คะยมจะเรียนถามเรื่องหนึ่งค่ะ โยมไม่ทราบว่าโยมทำบาปหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นเวลาที่โยมทำมาเป็นสิบสิบปีแล้ว เ, เกือบจะยี่สิบปีแล้วค่ะโยมอะ่ะชอบเข้าไปในโบสถ์เพราะที่นี่มันไม่มีวัดและโยมทำไงรู้ไหมพระอาจารย์โยมไปสวดชินบัญชรเนอะ่ะให้เทพที่นี่ฟังโยมก็บอ ก, กบเขาเนี่ยเป็นนั่งไปยืนไปจุดเทียนทำเหมือนอย่างกับคนที่ที่นี่เขาทา โยมก็บอกกับเขานะโยมบอกว่าฉันจะมาสวดมนต์ให้เธอฟังแล้วฉันก็จะเอาบุญมาให้เธอโยมก็บอกกับเขาอย่างนี้จริงๆค่ะเ อ, อพระอาจารย์ว่าท่านจะได้รับบุญไม่เทพทีงง่เนี่ยเขาจะได้รับบุญหรือว่าเขาจะโกรธลงไหมคะว่าไม่โกรธหล่าเทพเขามีการไม่ตาและส่วนใหญ่เขาก็มีบุญมากพอที่จะไม่ต้องมารับส่วนบุญของคนอื่น แต่เขาก็าจะอนุมโมทนาถ้าเขารู้ว่าเร า, เราส่งบุญไปให้เขาเพราะโยมรู้สึกได้โยมไม่เคยเห็นผีโยมก็ไม่เคยเห็นเทพนะคะแต่เวลายมเดินออกมาเนี่ยมันจะมีเหมือนกับกลิ่นกํายานเพราะคนที่เนี่ยเวลาเขาทาพิธีเขาจะมีกํายานจุดเหมือนเหมือนกับที่เราจุดธูปอะฮะมันจะเหมือนกับมีอะไรตามเรามาและที่บ้านโยมเนี่ย ก็มีเทพของอเขาเรียกว่าเป็นเทพผู้หญิงอ่ะซึ่งซึ่งโยมไปได้มาจากตลาดมือสองเพราะว่าผู้หญิงคนเนี้ยแม่เขาเสียชีวิตแล้วทีนี้เขาต้องการเงินทีนี้เขาก็ต้องการที่จะให้ไปและมีคนมาทักโยมบอกว่าเอ้ยบ้านยุบ้านเธอเอ่อมี ม, ม, มีมีเทพนะเนี่ยเทพเขายังเดินไปเดินมาอยู่ทีนี้โยมก็บอกว่าฉันะส่วนบทคือคือโยมจะเป็นคนที่ชอบพูดกับลูกปั้นไงโยมก็ไปบอกกับกเขะบอกว่า ฉันสวดบทเธอไม่เป็นหรอกนะแต่ฉันถือศีลเธอก็มาเอาบุญกับฉันเวลายฉันสวดมนต์เธอก็มาเอาบุญกับฉันนะคือยงมจะบาปไหมฮะถ้ายอมพูดอย่างเงี้ยไม่บาปลราบ้าอมากกว่าบาปไม่บาปหราบ้ามากกว่าไปสวดให้ไปสวดให้รูปปั้นฟังเหมือนทําไมลูปปั้นจะไปรู้เรื่องอะไรก็ก็มีคนมานักโยมบอกว่มีมีเทพอยู่ในรุกปั้นบ้านเธอ นันน่ะเขาบ้านแล้วเขาบ้าเขาบ้าเราอะไรบ้าตามเขาไปอนะเราเราไอเราก็ไม่รู้เราก็เราก็เออก็คนบ้ามาทักคนบ้ามาทังคนไม่บ้าอะไรบ้าตามไปด้วยท่าไรวะไม่มีสติไม่มีปัญญาเลยแต่โยมโยมก็ยังแบบมีปัญหาอะไรบ้าแต่โยมโยมก็แบบถามว่าโยมกลัวไหม เกีับเรื่องปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาที่โยมสือศีรอย่างเงี้ยโยมปลดล็อกได้นะพระอาจารย์และความกลัวเนี่ยมันมันเริ่มไม่มีแล้วและถามว่าเวลาที่โยมจะมีปัญหาหรืออะไรในแต่ละวันอย่างเงี้ยโยมรู้ว่าถ้าเมื่อไหร่ถ้าโยมอยู่ในธรรมเนี่ยคือโยมจะรอดโยมเชื่ออันเนี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เชื่อก็เชื่อไปแม่ห้าม Ok> ใช่แล้วโยมก็ปฏิบัติตามอาจารย์บอกว่าอาจารย์บอกว่าให้โยมอ่ะไปสวดเอพญายมโยมก็สวดทุกวันอืและโยมก็ดีขึ้นค่ะเฮ้ยเราไม่เคยบอกให้สวดพญายมเท่าก็ร่ก็อาทิตย์ที่แล้วอาจารย์บอกกลยโยมบอกว่าให้ขอพญายมเลยโยมก็เลยขอขอพญายมบอกว่า ช่วยคุมบุญให้โยมด้วยโยมจะนั่งสมาธิแต่โยมก็ดีขึ้นโ okay. อเคถ้าดีก็โอเคไปพระพร okay, นะอาจ า, า, ารย์โยมไม่ได้ทำตัวเป็นสีถนนชัยนะโยมถือศีนแปดจริงจริงตอนกลางเย็นและโยมก็ถือศีลเจ็ดจริงๆอืมไม่โย ม, มมีเหตุมีผลนะโย ม, ม อ, อธิบายให้พระพุทธเจ้าฟังและโยมจะมาอธิบายให้พระอาจารย์ฟังอีกคนหนึ่งค่ะเพราะว่า การนิยมแต่งหน้าเนี่ยมันดีอยู่อย่างหนึ่งนะเป็นบททดสอบของโยมด้วยเพราะว่าเวลายโยมเดินออกไปเนี่ยโยมจะได้ทดสอบจิตว่าโยมยังมีกิเลสและตัณหาอยู่ในประสาทสัมผัสในสมองหรือเปล่าไงจริงไหมคะพระอาจารย์อก็มไม่รู้แหละก็ให้ถือศีลแปดแล้วมันถือศีลเจ็มันได้เรื่องตรงไงนล่ะสิบสองชั่วโมงไงพระอาจารย์กัางวันกับกลางคืนไงอาจารย์ไม่ได้หรอกมัน ถือน้องให้มันถือไปตลอดไม่ได้มีเลือกถือเลือกเวลาอ๋อไม่เป็นไรก็แต่ว่ายังถือไม่ได้ก็แล้วกันถือได้เฮอะอาจารย์อืมถือได้เนี่ยถือได้อืมือนบางคนบางคนมาถือซะมาสมาบถือศีลตอนนอนศีลห้าห้าข้อถือได้หมดตอนนอนมันก็ไม่ได้ทาผิดสักคนอตอนส่วนมากแล้ว ถ้าทุกวันเนี่ยโยงก็ไม่ได้ไปติดต่ออะไรกับใครนะเพราะว่าแต่ว่าคือเราจะต้องทําเอกสารทํางานออนไลน์ทําอะไรแต่อะไรใช่ไหมคะและทีนี้จะให้ตรงปึ้งเลยอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็ต้องแบบอ่ะหย่อนหย่อนอนิดนิดขอเขอา้ามาในปาร์ติชั่อ๋อมไม่ต้องขอเข้ามาหรอกมันก็มันทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ไม่ทํานั้นเองได้ อาจารย์โยมไม่มีอะไรแล้วล่ะพระอาจารย์โยมเนี่ยจะมาขอพรพระอาจารย์อ่ะอยากจะได้อะไรล่ะ <c oughs> ให้รําให้รวยเหรอให้สวยไม่สั่งบานไม่รู้ ล, ยลอยนะโยมอยากเป็นอยากร่ํารวยอะ่ะพระอาจารย์เอราะนั่นะขอให้ร่ำให้รวยถ้าใครสวยไม่สั่งเนี่ยจะรวยแล้วอาจารย์แต่ไม่สั่งไง สวยไปตลอดการพระอาจารย์โยมมามีความตั้งใจจริงๆโยมอยากจะสร้างโรงทานที่นี่โนมสงสารคนอืมมันทำไป่ได้ทําม่ไม ท, <น>ทได้กันดีทําได้กันดีอ่าใช่ไหมโยมไม่มีอะไรแล้วยมมาปฏิบัติตามพระอาจารย์ตลอดโยมใช้เ อ, อวิธีการที่พระอาจารย์สอนอเวลาทําให้โยมใจเย็นลงโยมจะขอขอบคับขอบพระคุณพระอาจารย์และขอถวายบุญกับพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะ อาจารย์ขอให้พระอาจารย์ะปีธาตุขันแข็งแรงนะเจ้าคะอ่าพ่อพุ่ยมีแต่ความสงบความเย็นตลอดเวลานะคโยมไปร่วมบุญมาโยมบุญมาถวายพระอาจารย์โยมไปร่วมบุญกับคนที่เขาอยู่ในรายการทีวีะที่เขาไปจาริกบุญหลายวัดเลยทางเหนือคะ่ะอโยมไปร่วมบุญมาขอให้พระอาจารย์ มีบุญกับยมนะได้รับบุญด้วยสาธุจ้ะสาโมตนาโอเคไปที่คุณตายเชิญคุณตายอัตยาง้อกลับนมัสการค่ะพระอาจารย์วันนี้ไม่มีอะไรคไม่มีอะไรนะไม่มีค่ะมันยังทำ ง, งานอยู่ก็ <c oughs> ทำปกติค่ะหยุดวันเดียวค่ะพระอาจารย์หยุดวันอาทิตย์ ใ่ค่ะโอเคพอนาบ้างนะนั่งสมาธิบ้างนะอ๋อก็นั่งอยู่ค่ะก็ัวละนิดละหน่อยอค่ะพระอาจารย์แต่ก็มีสติมีสติกการทำงานมากขึ้นจะพูดจะทำอะไรก็พยายามเจริญสติอยู่ตลอดนะคะก็เคะอาจารย์ใช้ได้สาธุแล้วค่ะพอาจรคุณค่ะสาธุคุณหนึ่อต่อ นกาบนมัสการค่ะพระอาจารย์อปฏิบัติอยู่ค่ะพระอาจารย์ไม่มีคําถามค่ะปฏิบัติอะไรบ้างตอนเช้าตื่นมานั่งสมาธิค่ะพระอาจารย์ก็ถ้าเกิดตื่นสายก็เหลือครึ่งชั่วโมงถ้าตื่นตีห้าเป๊ะก็ได้หนึ่งชั่วโมงเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้ทําทุกวันเจ้าค่ะหลับไหมตอนตอนเช้านั่งสมาธิหลับไหม แม่ไน่หลับเจ้ค่ะไม่หลับนะค่ะแล้วก็ไปส่งลูกกลับมาก็ดูเวลาก็ได้รอบหนึ่งก็ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะอืมวันนึ่งทำหลายรอบเลยนะก็จริงๆสองรอบค่ะแต่ว่าจริงๆถ้าได้รอบบ่ายด้วยก็ก็ก็จะดีแต่ว่าไม่ได้ค่ะยังไม่ได้เดินจงกรมด้วยเจ้าค่ะเพราะว่าช่วงบ่ายก็ส่วนใหญ่มีธุระค่ะพร ะ, ะอาจารย์แต่ก็ฟังทำค่ะแล้วก็ ฟังธรรมพระอาจารย์ ท, ทุกวันนะคะโอ okay. เคกะดีสาธุค่ะพระอาจารย์ุกขอให้เจเริยนก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะอยากขอบพระคุณค่ะขอพระอาจารย์ทถังแห่งนาก็ค่ะสาธุอที <Okay. S 1> อ่คุณพระนอมเชิญคุณพระนอมนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่าะเซเิมใช่ไหมอริการใ่ใช่เจ้าค่ะหลวงพ่อก็ ปฏิบัติต่อเนื่องค่ะไปปฏิบัติที่วัดด้วยแล้วก็ปฏิบัติที่บ้านด้วยอระหว่างทํางานก็จะเริยนสติเจ้าค่ะหลวงพ่ อ, อก็สงบไม่นั่งหยุสงบสงบสงบค่ะสงบเร็วขึ้นอมไม่ถึงบางครั้งไม่ถึงสิบนาทีลู ก, ก็สงบยาวนานอถ้าไปที่วัดนะคะไวมากที่บ้านก็ถ้าช่วงเช้าจะสงบ สงบเร็วแล้วกอ็อยู่กับสังขารที่ไม่เที่ยงจริงๆนะคะหลวงพ่ออืรตอนนี้รู้สึกว่ากระดูกทั้งร่างกายตามข้อตามอะไรพวกนี้มันจะดังกลอบแกลบกลอบแกลบยิ่งยิ่งเวลาไปวัดแล้วปฏิบัติอยู่คนเดียวในโบสถ์ะค่ะจะจะได้เห็นสภาวะนั้นแต่แต่ก็ไม่ทุกข์อะค่ะก็เตรียมตัวพร้อมชจ้าค่ะ นี่อยู่กับมันไปจนกว่จะอยู่ไม่ได้นะทำทุกวินาทีให้เป็นวินาทีสุดท้ายจริงๆ่าดวแล้วก็มี อ, อยู่วันหนูไปไ ป, ไปอ่าเป็นลมในห้องน้ำเมื่อก่อนจะกลัวค่ะมีครั้งล่าสุดหนูเป็นหนูระลึกเอากาหนดตามนะคะว่าอ๋อวินาทีสุดท้ายมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้รู้สึก นะวิดาทีนั้นไม่ได้รู้สึกกลัวความตายเลยแม้แต่นิดเดียวก็ดีขึ้นนะคะรู้สึกว่ายิ่งเวลาเรายิ่งเหลือน้อยลงยิ่งปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะหลวพ่อขอบพระคุณเออคําสอนยาก<ำ>ไมนั่งสู้ความเจ็บต่อไปด้วยนะเวลาเจ็บก็อย่าเพิ่งนุกนะนั่งต่อไปเจ้าค่ะหลวงพ่อ แล้ว<ห>เวลาให้มันผ่านไปเองใเจ็บมาเจ็บผ่านไปเองเจ้าค่ะน้อมนําคําสั่งสอนไปปฏิบัติเจ้าค่ะหลวงพ่ออย่าสาธุดำคำหลวงพ่อที่ตอนที่ไปการาบหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้คํานั้นเป็นเป็นเป็นแรงผลักดันที่ทําให้ไม่มีวิญญาณทีไหนที่ที่จะละละ การกำหนดจาค่หลวงพ่อไม่ว่าจะมีอะไรกระทบจ้าค่ ะ, ะตลอดเวลาให้มีสติตลอดเวลานะเจ้ค่ะหลวงพ่อกราบขอพระคุณในความเมตตาของหลวงพ่อเจ้าค่ะอะไรที่คุณไอแพดเชิญคุณ iPad. ไอแพดไป่ราบชื่ออะไรอยู่ที่ไหนกราบอาจารย์ครับชื่อเอครับผมพอดีเพิ่งเข้าวัดซุมครั้งแรกครับผม อยู่กรุงเทพเลยอยู่กรุงเทพครับแล้วก็เคยไปไหว้กราบหลวงพ่อเมื่อสอสัปดาห์ที่แล้วครับผมอืมที่ที่วัดครับแล้วก็เอตอนนี้คือก็ปฏิบัติเออย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับก็แรกๆที่ก็ลงลงุกคุกคานพอสมควรนะครับผมหลังมๆมาก็พยายามปฏิบัติต่อเนื่องเอตอนเช้าตื่นนอนผมจะตั้งในการปุกไว้ตีสี่ึ่งแล้วก็ตีห้าครึ่งคือตีสี่ครึ่งก็ ตื่นมาก็ล้างหน้าแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมานั่งปฏิบัติครับผมแล้วก็นั่งไปเรื่อยๆจนกว่านกาจะปุ่มรอบหึถึงจะออกจากสมาธิครับผมพ่อแล้วก็กังคืนเนี่ยก็พยายามจะนั่งให้ได้ก่อนนอนแต่ส่วนใหญ่แล้วสังขารร่างกายกลางคืนจะจะค่อนข้างเคลียค่อนข้างล้าครับก็เลยอาจจะทําได้ไม่ค่อยนานนะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็อยู่เฉลี่ยประมาณสิบห้นาทีถึง30นาทีครับผมก็เวลานั่งก็ หลังๆมาคือก็รู้สึกได้ว่าจิตของเรามันก็สงบดีขึ้นนะครับผมแล้วก็พยายามตั้งอุบายให้กับตัวเองนะครับหลวงพ่อ ก, ก็คือว่าเออเหมือนกับว่าละอดีตไม่สนใจอนาคตแล้วคือพยายามเอาลมหายใจอยู่กับปัจจุบันให้ได้ไปเรื่อยๆครับผมตอนตอนช่วงที่ที่นั่งทําสมาธิครับผมมันก็จะเออนิ่งสงบอยู่พักนึงแล้วก็มันก็อาจจะมีอะไรนะเหมือนกับ เือคิดเหลืออะไรเงี้ยก็แับจะพยายามกลับมาที่ลมหายใจตลอดครับผมพ่อครับผมก็ดีนะครับ <ทำ S 1> แต่แต่ผมไม่แน่นใจผมฟังจากที่พระอาจารย์คือเวลาผมขับแล้วผมก็จะฟังพระอาจารย์เอา่เอาอ่า ส, สนทนาธรรมอันนะครับผมไม่มั่นใจกับคําว่าสภาวะที่บอกว่าจิตรวมเป็นหนึ่งอะครับผมพ่อก็เป็นสมาธิจิตมันหยุดม่งแต่งครับสักแต่ว่า คือมันคืออาการที่จิตสงบนิ่งไปเรื่อยๆคอองที่ไปเรื่อยๆ ใ, ใช่ไหมครับออถ้าสงบยอดเ ด, ยเดียวเรียกว่าคาิกะสมาธิการสงบนานก็เป็นอัปปนาสมาธิครับผมเท่าที่สังเกตค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณสี่สิบนาทีครับแล้วมันจะทําให้อยู่จุดหนึ่งที่เหมือนกับมีอะไรมามาสะ ก, กิดเราเหมือนเป็นกิเลสที่บอกว่าอะไรนะออกจากสมาธิสี่ออกจากสมาธิ 4, ออาสธี่ พอมันเริ่มปุ๊บผมก็พยายามกลับมานั่นนงนักลมหายใจใหม่ครับรอจนกว่าคือทําไปเรื่อยๆจนกว่านาฬิกาปลุกรอบที่สองจะปลุกอะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นเสราร์อาทิตย์จะไม่ตั้งในการปลุกรอบที่สองก็จะปล่อยนั่งไปเรื่อยๆครับคุณพ่อเอ่อถ้าไม่มีความจําเป็นก็อย่าไปตั้งนาฬิกานี่บ้นั่งสเตินี่บ้าครับผมเพราะกังวลว่าเดี๋ยวกลัวจะต้องตื่นไปทํางานแล้วก็ต้องเออ ตันถึงสุกต้องทํางานแหละครับผมถ้าจําเป็นก็ต้องตั้งเดี๋ยวไม่ได้ครับเดี๋ยวไปสายครับคือกวนเรือกวนเลยเวลาครับผมเอไม่เวลาถ้าจำเป็นต้องตั้งก็ตั้งถ้าไม่เป็นก่อนจะเป็นก็อย่าตั้งดีกว่าครับผมให้นั่ยาวไปตลอดนะครับครับผมกลับขอบคุณครับโอเคก็ฟังรู้ก็รู้สึกดีก็ปฏิบัติไปเรื่อยรักษาระดับการปฏิบัติไว้ครับก็จะพยายามให้ต่อเนื่อง มันก็อาจจะมีบางวันที่ร่างกายเหนื่อยมากๆก็จะหลับไปแต่แต่ น, นั้นจะค่อนข้างน้อยครับแต่จะพยายาม ม, มีวินัยให้กับตัวเองครับผมก็คือทุกๆวันทั้งก่อนนอนและตื่นนอนจะจะปฏิบัติครับดีมากสาธุจ้าพระอาจารย์ครับไปที่กุทินดอนแมริแลน d ์ซิลเวอร์สปริงการการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้โยม ยมสบายดีเจ้าค่ะไม่ไม่มีอะไรค่ะแต่วันนี้ไม่มีคํายังทํางานจากบ้านอยู่เหมือนเดิม ย, ยังทํางานที่บ้านอยู่เจ้าค่ะเฉพาะวันพุธวันเดียวอ่าจริงจริ ง, รงทำงานที่บ้านสามวันค่ะแล้วก็ไปที่ทํางานวันอังคารจึวันศุกร์ค่ะแต่ก็ถ้ามีทิมะตกหรือว่ามีอะไรที่สามารถต้องอยู่ที่บ้านเขาก็ให้ทํางานที่บ้านได้เหมือนกันค่ะอมก็ดีนะงานค่ะ โยมก็ยังปฏิบัติอยู่ต่อเนื่องเช้าเย็นนะคะออืมไม่ยังไม่ทิ้งนะงไม่ทิ้งค่ะพระอาจารย์ให้พรโยมแล้วเมื่ออาทิตย์ ก, ก่อนนะั้นบอกให้บอกให้ปฏิบัติอย่ามาเกิดโยมก็ต้องปฏิบัติก่บพระอาจารย์ตังรละความอยากให้ได้นะค่ะมันก็ยังมีอยู่อีกเยอะเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็มันก็ยังมีเสียดายว่ า, ม า, วาเมื่อก่อนบ้านนะแี่ยก็ต้องค่อยๆกวาดไป ค่ะพระอาจารย์เราก็แอ บ, บเสียดายว่าเมื่อไหรเราจะอายุมากกว่านี้เราจะไม่ต้องมีภาระแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ไปปฏิบัติจริงๆ จ, จังๆสักทีมันก็มีความคิดตรงนี้ติดอยู่ตลอดเวลาค่ะมันก็ปฏิบัติเดี๋ยวนี้มันก็ปฏิบัติจริงจริอย่างจังได้เมนที่เราโน่นนั่นนี่ที่ใครมันยังมีมันยังมีสิ่งที่พบอีกเยอะแยะที่ทําให้เราหลงติดปีกับพวกสิ่งต่างๆะคะ่ะแล้วก็รอลูกโตคะ่ะพระอาจารย์ มันไม่เกี่ยวอะไรกับความอยากของเราลูกโตแล้วความอยากเรามันจะหายไปเลยมันคือเหมือนภาระที่มีอยู่เพราะฉะนี้แล้วก็หางไปเรื่อยภาระก็ภาระแต่ความอยากก็ความอยากคนละเรื่องกันถึงได้ต้องเข้ามาซูมไงคะผู้อาวุโสผด้อาจารวุเคขอสติสักหน่อยกับอาวุโสบนกันไปหมดความอยาก้วความอยากก็อ้างเป็นภาระไป ค่ะยงก็จะตั้งใจปฏิบัติให้เต็มที่ค่ะพระอาจารย์เราทำให้ดีขึ้นโอบคุณเจ้าค่ะสาธุเจ้าคออจรคุณจาร์อยากจะเปิดกล้องพูดไหมอเดเด่เปิดอยแล้วปิดไปขอบคุณรัชการค่ะพระอาจารย์มีอะไรไหมอ๋อพัดเดี๋ยวเขาสั้ง น, นะคะพัดวงแหวนก หนูรู้สึกก็มีคําถามค่ะทีนี้เมื่อกี้หนูแค่รู้สึกว่าเนี่ยนั่งฟังมาคําถามหนูก็มีเพิ่มขึ้นมามากกว่าตอนแรกที่ตั้งใจคําถามที่หนูตั้งใจจะเอามาถามพระอาจารย์วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอ่าการเหมือนหน้าที่ที่เราเกิดเหมือนเหตุผลที่เราเกิดมาค่ะพระอาจารย์จริงๆแล้วก็คือมันสามารถเข้าใจถูกได้ไหมคะว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะทําทานถือศีลแล้วก็ปฏิบัติภาวนา เพื่อเพราะว่าทั้งสามอย่างนี้ก็คือสิ่งที่จะเหมือนกำจัดเอาวิชาออกไปจากเราถูกไหมคะใ ค, ความคิดแบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้ก็ช่วงที่เรามาเกิดแล้วมาเจอคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราไม่ได้มีเจอคําสอนของพระเจ้าเราก็จะเหมือนคนอื่นก็จะไปหาหาความสุขจากโลกธรรมจากลาภยศสนเสริญสุขกันค่ะเป็นคนอเมริกานี่ไม่รู้จักพุทธศาสนาเขาก็ไม่รู้เรื่อง การปฏิบัติทานศีลภาวนาใช่ไหมคะเขาก็จะไม่ปฏิบัติกันเขาก็จะไปทางโลกกันเขาก็จะไปหาราภยุศและเสริญสุกขกันอืแต่พวกเราโชคดีได้มาเจอคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรามาตัดความอตัดการเวียนว่าตายเกิดหยุดการเวียนว่าตายเกิดอด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนาอ๋อค่ะทีนี้ในหมวดทานก็คือ การการให้เหมือนให้สิ่งของการให้อภัยทานแล้วก็ธรรมทานมีอะไรนอกเหนือจากสามอย่างนี้ไหมคะที่อยู่ในหมวดทานก็มีแค่สามอย่างให้อภัยให้ให้วิทยาทานอีกอันที่เราไปเป็นเลคเชอร์โดยไม่เก็บตังสอนสอนพิเศษให้คนให้ความรู้ว่าคนนี้ก็เป็นให้วิทยาทานทีนี้ในหมวดศีลก็คือเหมือนอ่ เหมือนการควบคุมกายกรรมวัจีกรรมแล้วรวมไปถึงมโนกรรมด้วยไหมคะก็มันมาจากมโนกรรมนะเพียงแต่ว่าเมโนกรรมเป็นผู้ผักดันให้มีวัจีกรรมให้มีกายกรรมถ้าเราคุมที่กายกรรมได้แล้วก็มโนกรรมเราก็ยังคุมไม่ได้อยู่เพียงแต่ว่าไม่สามารถแสดงตัวได้ในตอนที่เราทื่อสี้นกันอืม การที่จะหยุดมโนกรรมนี่เราต้องไปที่สมาธิไปภาวนาโ okay. อเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในหมวดของการเช่นสมมติเรามีความรู้สึกกลัวหรือกโกรธหรืออะไรแบบนี้ขึ้นมาแล้วเราเอาสติกจับแล้วเราพยายามอันนั้นถือใ จ, ใจสมาติภาวนาพุโทโธพุโทโธไปวิปัสสนาภาวนาโอเคค่ะโอเคที่นี้เมื่อกี้ตอนที่พระอาจารย์ พูดอธิบายให้คุณจุ๊บฟังเรื่องคณิกะสมาธิก็เกิดเป็นคำถามขึ้นมาเรื่องไม่ไม่ได้เกี่ยวกันเท่าไหร่กับสมาธิว่าความที่ต้องมีความรู้สึกอัศจรรย์ใจในการที่เราจะได้สมาธิขั้นแรกเนี่ยค่ะเวลาที่ใครสักคนหนึ่งจะบรรลุเป็นโสดาบันอ่ะมันจะต้องมีความอัศจรรย์บางอย่างแบบนี้เป็นสัญญาณให้เรารู้สึกได้ด้วยหรือเปล่าคะแน่นอนแน่นอน เช่นเราเกิดความกลัวตายแบบสุดขีดแล้วเราปลงยอมตายได้เพราะความกลัวตายก็อยากใหไปทีนี้เราสามาร ถ, ถาและสําหรับคนที่มีอุเบกขาสูงสูงแล้วเรามีความรู้สึกใจเราสงบนิ่งแบบเวลาเหตุการณ์รอะไรเกิดขึ้นแล้วเรารู้สึกไม่เป็นไรเรามีความสันโดษแค่เนี้ยมันยังไม่ถือว่าเป็นสัญญาณของโซดาบันถูกไหมคะการสัญญาณที่แท้จริงเราจะต้องเหมือนไม่รู้สึกอยากใน ในสันห้าทั้งละในแบบในร่างกายอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะคือคํ า, <ข>าว่าละก็ต้องไว้บองมั น, ม, นมันจะเห็นตอนที่ว่าเราจะต้องสูญเสียร่างกายไปแล้วเรายอมเรายอมเสียเราไม่ยอมเราเราก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราไม่ยอมเสียเราก็จะทุกข์เราก็จะกลัวอ่าโอเคค่ะ แ, แล้วพอเรายอมตายบ๊อบบ๊เราก็จะหายกลัวหายทุกข์ ก็จริงๆก็คือไม่จะตอบไม่ค่อยได้จนกว่าเราจะเจอบททดสอบและ<ร>ถ้าต้องไปเจอโรคอะไรดูเราดูด้วใจทุกข์หรืไม่ทุกข์ตอนต้นๆจะทุกข์แล้วพอได้สติก็กว่าแล้วห้ามมันได้หรือเปล่าห้ามมันไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้หรือเปล่ามันเป็นอ น, นิจังเป็นเรื่องหน้าตาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องยอมยอมให้มันเป็นไปยอมตายยอมเจ็บไป อืมโอเครักษาได้ก็รักษาไปแต่รัก่ไม่ไม่ได้ห้ามมให้รักษาเพียงแต่ว่าต้องทำใจนะรักษาแล้วมันไม่หาย ก, ก็ก็ต้องยอมให้มันตายไปค่ะโอเคก็คือมันจะเป็นความมันจะเป็นความรู้สึกอยู่ในใจเลยว่าเราไม่อะไรจริงๆไ ม, ไม่ไม่ทุกข์ไม่กลัวเลยความเจ็บความตายโอเคค่ะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งมาสักครู่ที่เอ่อพูดถึงเรื่อง อศา ส, สนาพราหมณ์แล้วมีการกลับไหว้พระพุทธรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์นูนึกไปถึงตอนที่หนูอ่านหนังสือประวัติของหลวงปู่มั่นอที่พูดเรื่องตอนที่ท่านไปอยู่ถ้ำสาลิกาค่ะแล้วหนูก็นึกไปถึงว่าเคยได้ยินที่ที่มีคนพูดว่าไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดนบันดาลให้พรเราหรือว่าทําให้เราเจ็บปวดอะไรใดๆได้ทั้งสิ้นเนะะี่ยค่ะที่นี่หนูก็นึกไปถึงตรงถ้ำศาริกาว่า มีชาวบ้านเขาพูดกันว่าพระที่พระธุดงที่ไปอยู่กันไม่มีใครอยู่ได้เลยถ้าไม่เจ็บป่วยล้มตายกันไปก็จะหนีมาอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์ถ้าไม่ได้ว่าเป็นเพราะลุคเทวดาคนที่มาคนที่หลวงปู่มั่นท่านพบเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านนั้นหรอกค่ะที่เป็นคนที่ทำให้พระธุดงเจ็บป่วยหรืออะไรประมาณอย่างนี้ค่ะเรื่องนี้เราก็ไม่ทราบนะเพียงแต่ว่า ถ้าให้เรามองแบบทั่วไปไม่มีใครทำให้เราเจ็บป่วยได้หรอกนอกจากโกครคภัยไข้เจ็บเ ป, เป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่เทวดาหรืออะไรใครมันจะมาเสกมาเป่าให้เราเจ็บไายได้ป่วยได้มันเป็นไปไม่ได้ อ, อือโอเคค่ะมันต้องมีเหตุใช่ไหมที่ทำให้ร่างกายเจ็บไายได้ป่วยเช่นมีเชื้อไวรัสเข้าไปในร่างกายเดินไปเหยียบตะปูเนี้ย ตะปูมันก็ที่มแ่งให้เลือดออกเป็นแผลขึ้นมามันต้องมีเหตุไม่ให้อยู่ดีๆไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาแล้วก็ไปโทษลดกเทวดาท่าเขาไม่รู้เรื่องหรือเราเกี่ยวกับเราเลยโอเคค่ะก็อาจจะเป็นได้ว่าการปรากฏตัวของท่าน่ะทําให้ใจเราต่างหากที่คิดไปเองกลัวไปแล้วก็อาจจะทําให้ป่วยเป็นโรคขึ้นมาหรืออะไรอันนั้นก็จะเป็นได้อาจจะเป็นโรคโรคจิตมากกว่าไม่ใช่โรคทางร่างกาย ค่ะคือจะไม่ท่านจะไม่ใช่ว่าท่านลุคเทวดาที่จริงๆที่ตอนแรกท่านมาขู่พระอาจารย์มั่นว่าถ้าไม่ไปเราจะเอาตะบองตีให้ตายอะไรอย่างเงี้ยจริงๆท่านก็ทําไม่ได้ถูกไหมคะถ้าพรอาจารย์มัน่น<ม>เอ่อเองอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็อยู่ที่อยู่มันเป็นเรื่องของเหตุการณ์ภายในใจของท่านอ่ะมันไม่ได้เป็นเหตุการณ์ภายนอกหรอกมันเป็นเรื่องของอะไรก็ตามที่มันปรากฏขึ้มนมาในใจแล้ว ใจของท่านมั่นคงหวั่นไหวหรือไม่ทางนั้นเองค่ะโอเคค่ะถ้าไม่มั่นคงหวั่นไหวก็อาจจะไปลุกลามทําให้เกิดความรู้สึกเจ็บทางร่างกายไปด้วยก็ได้อ่าหรืออาจจะเป็นคลัง่งผมค้างบอกชาวบ้านอยู่ไม่ได้เพรไม่สบายอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้สบายทางร่างกายแต่ไม่สบายทางจิตใจก็ได้โอเคค่ะเข้าใจแล้วค่ะ คำถามสุดท้ายเรื่องของจิตค่ะพระอาจารย์เมื่อกี้ที่พระอาจารย์สนทนากับคุณเอ๋ว่าจิตรวมเป็นหนึ่งอะไรอย่างนี้คะ่ะมันก็ทาให้หนูนึกไปถึงที่หนูเคยเรียนจากพระท่านหนึ่งท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบจิตเกิดดับเหมือนประมาณเม็ดฝนที่ตกลงบนผิวน้ำที่มันเกิดดับอีกตลอดเวลาอะไรประมาณอย่างนี้คะ่ะคือ สิ่งที่เกิดดับนี่ก็คือเหมือนเป็นวิญญาณขันถูกไหมคะเป็นวิญญาณสัญญาสังญขญารจะทางานอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเปี น, <Okay. S 1> น่องคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ไปเกิดความรู้สึกสลับไปสลับมาอยู่ตลอดนะแล้วการที่จิตรวมเป็นหนึ่งได้ก็คือเหมือนถ้าเหมือนขันสีอันนี้ดับ อ, อไม่ดับมันหยุดทํา ง, งานมันหยุดมันหยุดทํา ง, งานสังขารความทีพตรงตัดหยู่ทํา ง, งาน แต่ยังมีวินสัญญาอย่างอาจจะไม่อยู่แต่มันสัญญามันไม่มันเป็นแบบแบ็กกราวน์มันเป็นแบบการรับรู้คืออ๋อที่ว่าสักแต่รู้ก็คื อ, อ, อไม่ได้เอาว่าเราก็ไม่ปล่อยใจไหลว่า อ, อ, อะไรไปต่ออะไรโอเคไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเราแค่เห็นมาแล้วเราก็จับได้ว่าโอเคปวดอยู่ตอนนี้อ่ะตอนนี้กําลังมีความคิดนี้ลอยขึ้นมาอะไรแบบนี้ใช่ใตรถม คือถ้ามันสงบมันก็จะไม่มันไม่มีความคิดล้ลอยขึ้นมามันจะรู้เฉยๆอันนี้ก็คือที่พระอาจารย์พูดถึงคณิกะสมาธิว่ า, าเป็นคณิกะแล้วอัปปนาสมาธิคิดนิ่งสงบสักแต่ว่ารู้มีอารมณ์เดียวคือสักแต่ว่ารู้ที่ว่ารวมก็เป็นอาการที่อย่างที่พระอาจารย์พูดเช่นรู้สึกเหมือนตกหลุมตกบออ่อหรือรู้สึก มันใหญ่มันจะต้องมีการที่มันพลิกจากหน้ามือปเป็นหนังมืออนื่องจากจิตที่ยังไม่สงบฟุง้งซ่นานกลายเป็นจิตที่สงบนเงียบสงบไปอยืการที่นั่งสมาธิแล้วผ่านความเจ็บปวดไปได้เป็นจากที่เจ็บอยู่ดีๆแล้วอยู่ฟลุ๊กหายเจ็บอันนี้ก็ถือเป็นคณิกะใช่ถูกต้องคณิกะด้วยราประนานประนานน้าแต่ อ๋อแต่ว่าก็คือถ้าอยากรู้ว่าความแตกต่างของคณิกัตกับอปนาเป็นไงก็คือไปหาอ่านเอาที่พระพุทธเจ้าพูดถึงบรรยากามันก็เชื่องเชื่องสงบแป๊บเดียวแล้วมันก็หายไปแต่มันเป็น<ม>ความรู้สึก<ม>อนาเหรอคะแค่ว่าความยาวต่างกันเหรอเออใช่ชั้นยาวต่างกันไม่มายม่ได้ไม่มามันจะแค่ปแป๊บเดียวงูแลบลิน้นฟาฟาฟ า, าแลบปีแล้วก็ความสงบก็าหายไป ความคิดก็กลับมาใหม่แต่ถ้าอั ป, ปนานมันก็จะสงบนานความคิดก็ยังไม่มาอืมเรเกี่ยวข้อง ก, กันกับความสามารถที่จะเข้าสมาธิได้เร็วไหมคะการในเรื่อง<ำ>ของก็แสดงว่าเราเริ่มเราเริ่มได้มีเราเริ่มมีความสามารถที่จะเข้าสมาธิได้มันก็จะทำให้เรามีกำลังใจที่จะฝึกสติให้มากขึ้นนั่งสมาธิให้บ่อยขึ้น มันอเราสา ม, มารถขึ้นมันก็จะเข้าสติเข้าสมาธิได้ง่ายขึ้นได้นานขึ้นต่อไปเหมือนจิตมันจําได้อย่างเนี้เหรอคะพระอาจารย์ว่ามันก็ไม่ทั้มันก็ไม่เชิงจำได้มันรู้วิธีอวิธีที่ทำว่ามันสงบลงคืต้องมีสติคอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดไม่ให้จิตลอยไปลอยมาเข้าใจแล้วค่ะแค่นี้ค่ะพระอาจารย์อาจารย์ถูะโอเคอ<ำ>ดี้ไม่เป็นไรคำถามนี้ก็เป็นประโยชน์ คุณค่ะเย็งนะฟังแล้วยังจําคําถามของคนอื่นได้อาจารย์หนูนึกอยู่เมื่อกี้ว่าเดี๋ยวจะดูว่าสติเพราะตอนที่คําถามสุดท้ายของคุณเอ๋มันเป็นคําถามที่สี่แล้วค่ะหนูกันเลงแน่ใจว่าหนูจะจำหนูจะมีสติพอจริงๆเหรอที่จะจำสี่คาถามแสดงว่ายังโอเคอยู่ก็ดีโอเคคําจําดีมีสติดีนะครับไปที่คุณหมอสุทัสสีนทุมดานี เป็นยังไงคุณหมอสบายดีไนะ้มนมัสการท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะสบายไม่มีคำถามโอเคไม่มีก็ไปที่คุณนิดคุณหน่อยชายนิดคุณหน่อยเปยน็นยังไงในสิครบหรือยังกล่าวนามัสการอาจารย์น ะ, น ะ, คะ้ค่ะรู้สึกผิดจังเลยเจ้าค่ะเจ็บอยู่เลยอย่าพยายามพัฒนาเลยนะ ยี่อยู่กับที่นะแต่หลังสี่ทุกอย่างนี้ได้นะคะพีปุ้ยหลั ง, 6, 6งหกหกโงในหลังสี่ทุ่มได้นะคะก็ถือเวลา น, นอน่างถือได้ทุกข้อเลยดูดูชอบดูกับข้าวอะเจ้าค่ะเป็น อ, อะไรอะ่ะหิวมากตอนนี้ก็หิวครับโอ้ยทำยังไงดีพระอาจารย์ขออุบายหน่อย ก็เวลานึกถึงอาหารอย่าไปนึกถึงอาหารในจานเลยนึกถึงในเวลาเข้าไปในท้องแล้วเป็นยังไงบ้างก็ค่ะต้องประมาณนั้นเลยใช่ไหมจ๊ะค่ะเวลามันออกมาทางทวารหนังเป็นยังไงบ้างมันก็อาหารเท่านั้นดูอาหารเก่าต้ออย่าไปดูอาหารใหม่อาหารใหม่ในจานเห็นมันก็น้าลายหลายอย่างดูอาหารเก่าเวลาที่มันออกมาจากร่างกายหรงอ <c oughs> ดูดูแต่อย่างนั้นนะเจ้าค่ะแล้วทีเนี้ยโทรศัพท์ก็ขึ้นแต่กับข้าวช่วงวันที่หน่อยเถือศิลป์อย่างเงี้ยเจ้าค่ะจริงๆพระอาจารย์แบบจะทุเรียนมาเดี๋ยวเค้กมาก็วันนั้นก็ไปแคปเจออาหารเก่าที่มันอยู่ในซุ้มหน้ามันมาปักไว้ที่หน้าจอของเราเลยมันจะขึ้นไหมใช่ไหมเจ้าค่ะเก็ถ้ามันหน้าจอเลยมันขึ้นตลอดเวลาเลยเวลาเปิดเปิดเปิดกล้องขึ้นไม่เปิด พอสั์ขึ้นมามันก็ผอมขึ้นมาเลยหน่อยมีความนึกถึงน้อยเรื่องเรื่องที่พระอาจารย์พูดถึงนะจ๊ะค่ะต้องมีสติแล้วก็นึกถึงสิ่งที่ออกจากร่างกายได้มากๆใช่ไหมะใ ช, ใช่มันจะได้มันจะได้ต้านกันได้ต้านไวรัสไวรัสก็คือความอยากกินอาหาร อ, อ๋อนะคะพระอาจารย์คะ <c oughs> อ่าพอดี สัปดาห์ที่แล้วหน่อยนั่งฟังอยู่ข้างนอกนะคะแล้วที่นี้หน่ยเห็นพระอาจารย์ป่วยพระอาจารย์ได้กินยาอะไรไหมคะหายอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ธรรมะออสดใช้สติใช้สมาธิพระอาจารย์หายเองอ่าก็ไม่มันก็เป็นเองมันก็หายเองได้โรกแบบนี้อวิตามินซีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ<ม>น้ำลงน้ำร้อนอะไรไม่ ม, มีทั้งนั้นปกติก็เป็นไม่ไปแค่ยอยู่เหมือนเดิม ไ ม, ไม่ใช่ทุกโรคนะถ้าบางโรคที่ต้องกินยาก็กินเหมือนกันถ้าเป็นโรคติดเชื้อเนี่ต้องกินยาปฏิชีวนะนีงต้องกินอยู่ถ้าเป็นโรคหวัดเนี่มันมันเป็นเองหายเองก็ไม่ต้องทํำอะไรเพียงแต่ก็ั ด, ดอดทนอย่าไปทุกข์กับมันเวลามันเป็นไข้มันปวดเมื่อยอะไรก็อยูกับมันไปเส้นหางมีน้ำไหลไหลน้ํำลูกหลายแล้วก็อยู่กับมันไป เดี๋ยวมาเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวมาเดี๋ยวก็หายมันเป็นนี้มันมันเป็นขั้นตอนของมันมันมันเป็นมันพัฒนาของมันไปแล้วมันก็ค่อยๆผ่านไปทีละขั้นทีละขั้นสี่ห้าวันมันก็หมดเองรอบปุ่นี้อืมแ้วค่ะหน่อยก็รู้สึกผิดแต่จริงๆมองพระอาจารย์ยังไงก็ยังเป็นไอดอลแต่ชอบลืมพระอาจารย์ตอนนี้ลืมแล้วสมถะสันโดษลืมไม่หมดเลยเนาะ อ ย, อย่าลืมคาสอนนืมเราได้แต่อย่าลืมคําสอนอย่ลืมศีลสมาธิปัญญาออมหน่ อ, อขอราย ง, งานพระอาจารย์นะเจ้าค่ะือคือเรื่องของเรื่องตอนเช้าหน่ยไม่ได้ตื่นมานั่งสมาธิหนก็เลยนั่งตอนที่ไหนบอกพระอาจารย์ว่านั่งสวดมนต์นะเจ้าค่ะก็ไหน่อมองว่าเข้าสมาธิง่ายดีนะเจ้าค่ะอาจารย์ ก็ดีเข้าตอนไหนได้ก็เข้าไปก็ไปนั่งตอนนั้นก็แล้วกันบางเวลามันง่ายกว่าบางเวลามันยากกว่า อ, อ๋อคือกลับออกมาก็ขาชาตะคิวแล้วก็เหมือนมีมดเหมือนตัวมากัดอะไอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ตอนอที่อยู่ในสมาธิไม่รู้สึกเจ้าค่ะก็เลยเ อ, อ๋อก็เหมือนกับที่หนเคยบอกพระอาจารย์เจ้าค่ะว่า ตั้งใจสวดมนต์คอนเซนเพ็ตก็เลยกลานว่ามีความตั้งใจก็เลยไม่หลุดจ้าค่ะโอเคได้ไม่มีคาถามแล้วค่ะอาจารย์โอเคพยายามทักสอบไปนะสักครั้สาธุคุณหมอนาตัวเจนครูหอเป็นไที่นี่งานเยอะไหมอ๋อปฏติครับนะก็ดีขึ้นครับพอดีเพิ่งกลับมาปอดีอทิตยที่แลไป เลคเชอร์ที่ที่อเมกานะครับอื <ไป S 2> มีมาอะไรที่นู่นเขาให้ใ ห, ให้ไปมาครับอ๋ก็ช่วงช่วงอยู่บนเครื่องกันเลยได้มีเวลานั่งทําสมาธิทําอะไรครับตอนทำเลคเชอร์เสร็จครับเว <ไป S 2> ลาชั่วโมงนะบิ น, บ, นบินไปบินไปฮาวายครับแต่ว่าก็มไม่ไม่ไม่ประมาณสัก มันมันหแล้วก็บวก6แต่ว่าบางทีต้องไปเราเปลี่ยนเครื่องที่ญี่ปุ่นประมาณ6ชั่วโมงก็18ชั่วโมงครับก็เป็นมหาวิทยาลัยของนี่วอชิงตันอยู่ที่เซ์ลูวิสครับนะก็ ม, มาจากเลคเชอร์ที่นี่เขาก็เลยเชิญมีหมอญี่ปุ่นแล้วก็มีผมมาจากไปแบบจากเซาท์ออเรเซียไปครับสนวะัสดีครับนะ ก, ก, ก็พยายามปฏิบัติอยู่ครับนะ เมื่ี้พอดีฟังคําถามของคุณสศิธร์ที่พระรอาจารย์บอกครับเรื่องการปฏิบัติให้หละความอยากใช่ไหมครับถ้าเราเป็นค า, า, ารวาสครับนี้เราก็ก็คือใช้ศีลสมาธิปัญญานี่ความอยากก็คือไอเราต้องดูไหมครับว่าเราอันนั้นเราทุกกันนั้นลวดหรือก็ต้องพยายามละไ อ, ค, อคือบางอันถ้ามันมันเป็นทําให้เราทุกข์อันนี้เราก็มันก็เห็นง่ายครับเราไปละมันแต่ว่าถ้า อ, อันอื่นเราเร า, เราต้องละความอยากนี่มันต้อง ต้องลงไปเยอะแค่ไหนอย่างไรครับอยากให้อาจารย์ช่วย <K ill ip le> ที่บายเพิ่มครับความอยากในระดับทานเราก็ใช้ทานแก้เยันอยากจะซื้อซื้อของฟุ่มเฟือย <K ill ip le> ซื้อพวกอนเทอร์เทนอะไรพวกนี้เราก็เราก็ตัดบันเสียเราอยากไปซื้อ <K ill ip le> อันที่จะไปซื้อของวันนี้ไปทําบุญแทนเนี <K ill ip le> ่ย <K ill ip le> ครับอ่าส่วนความอยากระดับสิ่ง ก, ก็คือบางทีเราก็อยากจะดื่มชูกายอย่างนี้เราก็ใช้สิ่ง ก็อยากจะไปเที่ยวนอนกับคนนู้นคนนี้อะไรนี้ก็ก็ใช้สินตัดครามอยากหรือบางทีคนที่โลภมากก็อยากจะอยากจะได้เงินมากๆบางทีก็ต้องโกหกหลอกลวงรักทรัพย์ของผู้อื่นมันก็ใช้มันก็ใช้ศีลเป็นตัวนะถ้ามันความความอยากที่ละเอียดกว่านั้นก็ต้องใช้ที่ที่ศินไม่ได้หยุดที่ฐานไม่ได้หยุดก็ต้องใช้การภาวนาค เป็นความอยากมีอยากเป็นอยากอย่างอะไรวามอยากเราก็ต้องใช้ภพโลกกระทํางแปดภพอะไรทั้งหลายเรับ้แลวก็มองให้เป็นอันนี้จังเป็นอให้มันไม่เที่ยงไปนะครับเป็นทุกข์บ้างกับเป็นสุขเป็นสุขตอนที่ได้มาครับเวลาเสียไปก็ก็ก็ทุกข์ใจไปถึงได้มามันก็อยากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพอไม่ได้ก็เสียใจ ครับครับอันนี้อาจจะต้องใช้การภาวนาแทนคนนี่หยุดมันได้ด้วยความอยากเกี่ยวกับร่างกายของเรารอยากให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากให้มันไม่ตายอันนี้ก็ต้องใช้การภาวนาเพราะทานศีล ม, มันหยุดไม่ได้ ไม่มีเค่ความอยากความอย่างมันมีระดับเหล่านี้ที่เราที่เราทําทานก็เพราะนี้เราจะได้ตัดความอยากที่จะใช้เงินไปเกี่ยมือซื้อความสุขต่างๆครับอ่ะครับเนั้นต่อเป็นครว่าส์แล้วก็ก็ดูพวกนี้แล้วก็พยายามพยายามลดพยายามเลิกพยายามไปสันโดษพยายามน้อยพอทำกันน้อยสโดษครับถ้ามีเงินใกล้แล้วมันเอาไม่ได้ก็เอาไปทําบุญทําทานไปนะเดินไปครับอ่ะ ถ้ามีอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ยังอดไม่ได้ไม่ไม่มีดีกว่ามีเท่าที่จะเป็นมีไม่เกี่ยวไม่ใช่กับปัจจัยสี่อย่างเดียวพอบก็ไมีอย่างแค่นี้คือตอนก็ละภายนอกก่อนรุ่งด้วยทายดวยศีลแล้วเราก็มาละละยุลสนเสริญสุขด้วยการภาวนา จากนั้นเราก็ลร่างกายละเวทนาแล้วะอารมณ์ต่างๆมันก็เป็นความอยาดนั่นแหละการมาผลาหลดพวกนี้ก็เป็นความหยากที่ต้องเราประสบก็ไป็นดูสิตรงข้ามมัอนใช่ไหมแล้วก็พยายามรักษาใจให้เป็นดูไปข้างหน้าผมรู้สึกบางทีถ้าเราปฏิบัติได้ได้เหมือนกับระดับหนึ่งมันก็ถึงแม้ธรรมะอันเดียวกันนะครับมันก็ ควาเข้าใจในช่วงที่เรามันมันก็จะมีความลึกซึ้งแล้วไม่ลึกซึ้งขึ้นอยู่กับไอ้สภาพของของเราด้วยไหมครับบางทีธรรมะอันเดียวกันผมรู้สึกบางทีเอ๊ะถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญามีมีสติมีเอาสมาธ ท, ที่ลึกมีอุเบกขามันก็จะมันก็จะลึกซึ้งอะไรมากขึ้นนะครับมันก็จะรับความอยากที่ละเอียดที่ลึกเข้าไปได้มากขึ้นอย่างครับม ความยากมันก็มีระดับอยากลางละเอียดอย่านีครับอ่ครับอ่ะฮะบางทีเราบางทีก็ต้องที่สติมันเป็นอยากไม่ทันมันก็จะมันก็ไม่เห็นมันก็จะแต่ว่าพอทําให้มันอันนี้มันก็จะก็จะเห็นกรับครับได้ครับพยายามปฏิบัติอยู่ครับโอเคครับอ่ามีแค่นี้นะมีแค่นี้ครับอ่ะโอเครามพยายามถ้าว่างก็พยายามแบบนั้นเดีรับไปดีคุยกันชิดต่อ เวลาสามนาทีเน้ยต้องแบ่งเวลาหน่อยใกล้จบหมดเวลานะแล้ว ไ, ไม่ค่อยได้ยินเลยการเช็ดเสียงใตว่ากรามนรัา ก, การย์โอเคคือคำถามพระอาจารย์ผมอยากถามพระอาจารย์ว่าความคิดกับนี้ตัวเดียวกันไหมครับความคิดอะไรนะจิต จิตจิตเป็นตัวสร้างความคิดขึ้นมาแล้วตัวผู้รู้ล่ะครับผู้รู้ก็จิตเหมือนกันจิตมันมีความสามารถรู้ทั้งรู้ทั้งคิดได้ทั้งจำได้ทั้งรู้สึกได้นี่คือความสามารถของจิตเข้าใจไหมเหมือนร่างกายเราสามารถเดินได้วิ่งได้ อย่างเงี่ยมีการเป็นความสามารถของจิตจิตสามารถคิดได้รู้ได้เลือกจาได้รู้สึกได้อันนี้ก็คือความความสามารถของจิตทั้งนั้นแหลต่ความคิดนี้กับจิตนี้เป็นคนละอักันใช่ไหมครับก็มันอยู่ที่จิตอนะ่ะมันเป็นความสามารถของจิต จะไม่แยกออกจากกาันไม่ได้หรอกเมันร่างกายที่ยืนได้กับวิ่งได้มันก็เป็นร่างกายเป็นความสามารถโอเคนะอ่าไป่ัางว่าอะไรต่อกลับน้องสการ์นเขาวันนี้ไม่มีคำถามเจ้าค่ะโอเคงัไปที่ปุนิงแชรุนิง มีอะไรไหมคนนี้ข่าวพระอาจารย์ก็ปฏิบัติอยู่ค่ะพระอาจารย์ก็ค่อยๆดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะพระอาจารย์แต่ก็จะมีบ้างที่บางทีอาจจะเห็นคนแก่ที่อยู่ที่บ้านมันก็ทําให้เรามาคิดย้อนถึงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้อะไรมากเพราะว่าต้องต้องอยู่ด้วยกันเพียงแค่ว่าอมันอาจจะเป็นกิเลสของหนูหรือเปล่าว่า เราเราไม่อยากจะอยู่จนถึงปานนั้นนะค่ะพระอาจารย์ได้นั่นก็เป็นกิเลสไม่อยากแก่ไม่อยากแก่อือยากตายก่อนนะคะพระอาจารย์นั่นแหละมันก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งไม่ปะาม่ภาวะปัญหาค่ะพระอาจารย์หนว<ะ>ูว่าก็ต้องก็ต้องหยุดมันต้องใจ ก, ก็ต้องอยู่กับมันไปมันไม่แก่ก็ต้องอยู่กับมันไปอยากยาก็อยากอยากเอาเงนจะทำให้ใจเราทุกข์ใช่ไหม ค่ะาจารใช่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าใจทุกคนอพอมาปฏิบัติหรืออะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเราเบาขึ้นก็พยายามเข้าใจว่าอ๋ออันนี้มันเป็นกิเลสของเราเองอืจาราต้องอทําใจเฉยๆใหญ่ก็ได้เจ็บก็ได้ตายก็ได้ค่ะพระอาจารย์บางคนเวลาเจ็บก็อยากจะฆ่าตัวตายเพราะมันก็มันก็ผิดแล้วใหญ่เ จ, เจ็บก็ต้องออยู่กับมันไป ต่าก็ต้องอยู่กับมันไปแต่แต่อย่างน้อยสุดก็ทำให้เรารู้รู้ทันจิตของตัวเองรู้ทันใจของตัวเองไ้ยคะที่เป็นแบบนี้ครับอ tas, าจารย์ก็รู้แล้วไงเพียงแต่เราไม่รู้ว่าเป็นกิเลสต้องรู้ว่าเป็นแบบที่ไม่ดีต้องเฉยเฉยดีที่สุด อ, อยากอยากได้ก็ไม่ดีอยากไม่ได้ก็ไม่ดีต้องเฉยเฉยได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีอย่างเงี้ยใช้ได้อย่าปอยั แก่ก็ได้เจ็บก็ได้ตายก็ได้ค่ะพระอาจารย์แต่ก็ถ้ายังไม่แก่ก็ไม่ก็ได้ถ้ายังไม่เจ็บก็ได้ถ้ายังไม่ตายก็ได้ค่ะคาะพอตอนนี้ก็รู้สึกว่าอเวลาปฏิบัติก็เบาขึ้นสบายสบายใจขึ้นขอาจารย์แต่พระอาจารย์เออแต่ก่อนก็ยังแบบมีพะวงหรืออะไรอย่างนี้บ้างแต่ตอนนี้ พอสวดมนหรดูบ่านั่งสมาธิแต่หนูจะค่อยๆแบบว่าเหมือนเราไม่ได้ทำอะไรนั่งอยู่ที่ไหนแต่ถ้าว่างมาคุ๊บก็คือว่าอันนี้จะนั่งนั่งฝึกไปเลยอะค่ะหลับตาหรือว่านั่งจ้องไปเลยก็<อ>ดีแสดงว่าจิตใจเรา ม, มีมีทำมากขึ้นแล้วมีความมีความสนใจในการปฏิบัติมากขึ้นเหมือนกับว่า เสียดายเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังอ ย, อยู่เฉยๆถ้า<ม>นั่งเฉยๆนั่งหลับตาดูลมบรรยา่าพูดโทไปเลยป่ะค่ะอ า, าจารย์หก็เลยแบบอ๋ออันนี้ก็คือว่าเราเราเริ่มทันอืมเร<อ>ิ่มท<า>ันเริ่มทั น, นกิเลนแล้วกิเลนไม่ชอบนั่งเลยค่ะอ า, าจารย์พอนั่งปุ๊บบางทีเพื่อนก็ถามว่าทําอะไรล่ะอืมเราโอ้ก็อ๋อนั่งแค่นั่งหลับตาอนี้อืมพักพักผ่อนพักผ่อน ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเราอะไรเยอะไปหรือเปล่าใชะถ้าพูดัาษาศาสนาแล้วก็จะหาว่าเราเคร่งนะค่ะค่ะก็ไม่อยากให้คนข้างๆเขารู้สึกอึดอัดกับเราค่ะคระอาจารย์ใช่พูดเป็นพูดเป็นภาษาธรรมดาพักผ่อนหลับตาพักผ่อนค่ะค่ะอจารอันนี้ก็คือว่าเริ่มที่จะอ่า เข้าสู่ระบบของการปฏิบัติแะ้เริ่มเริ่มเริ่มเริ่มเป็นการอัตโนมัติแล้วไม่ต้องไม่ต้องขายลาะอืงไม่ต้องคอยผ่าดันแล้วอย่างนี้มันก็เริ่มไปมันรู้มันรู้หน้าที่ของมันง่ายง่ายเพราะว่างเมื่อไหร่มันก็อยากจะทํำทันทีค่ะอาจารย์อันนี้ก็คือว่าเราเริ่มอันนี่ไปได้ใช่ไหมคะอาจารย์่ันืนอยู่ค่ะความเพียนเริ่มเริ่มเริ่มเริ่มไปเองแล้วไม่ต้องไม่ต้องคอยเห็นมันแะ มันลดที่เรามันเริ่มวิ่งของมาเองได้แนละ้วค่ะพระอาจารย์หนูก็จะน้องนําปฏิบัติถวายพระอาจารย์ต่อไปค่ะพระอาจารย์อ่าสาธุนนะสาธุะพระอาจารย์คุณพิสิการเชิญคุณพิสิการอยู่ที่ไหนเอ่ยได้ยินไหมบนมัสการ์ค่ะพระอาจารย์ พระอาจารย์ได้ยินไหยคะได้ยินจ้ะอยู่ที่ไหนจ้ะกระตูนนะคะพระอาจารย์อ๋อตูนเนะค่ะทำไม่ได้เพิ่งเข้าสู่ครั้งแรกค่ะพระอาจารย์ในไงในไงถึงเข้ามาก็เห็นแล้วก็ดูก็เลยอยากจะลองเข้ามาดูค่ะพระอาจารย์อือองงขคือหนูว่าตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาค่ะหนูรักษาศีลห้าแล้วก็กรรมาบวชสิบแล้วหนูก็อ่า จับลมหายใจพุทโธ ร, รู้สึกว่าสงบขึ้นค่ะพระอาจารย์รู้สึกว่ามีสติมากขึ้นไม่คิดถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคตแล้วก็เมื่อประมาณสามวันที่แล้วอะค่ะหนูเป็นกลไกย้อนตอนประมาณตีสามอาการกลไลย้อนเนี่ยก็คือทาให้ปวดท้องแล้วก็จุกลิน้นตีหนูก็กินยาแล้วสิ่งที่เห็นก็คือร่างกายอะค่ะมันไม่เที่ยงเลย ความตายนี่คือของเที่ยงแน่ๆที่หนูเห็นตอนนั้นนะคะที่ร่างกายทูกทารมานมากหนูก็กำหนดลมหายใจพุทโธแล้วก็ปล่อยให้ร่างกายมันเป็นไปโดยที่ไม่กลัวความตายอ่ะและหนูก็เลยเข้าใจว่า ม, มันก็แค่นี้จริงๆคือไม่ได้ยึดอะคะ่ะไม่ห่วงลูกไม่ห่วงงานไม่ห่วงสมบัติอะไรทั้งสิ้นนะคะพระอาจารย์แล้วอาการสักพักนึงอาการก็หายน่าจะเป็นเพราะยาหรืออะไรแต่ว่า จิตหนูวะใจหนูมันไม่เข้าใจธรรมะมากขึ้นนะคะพระอาจารย์ใช่ปล่อยวางได้ค่ะดูว่าร่างกายไม่เช็ดตัวเราของเราค่ะแล้วก็ไม่เข้าสังคมงดแอลกอฮอลตลอดชีวิตแต่ว่าอยู่กับถ้ามีงานจําเป็นที่ต้องไปงานเอเจนต์ไปพพบเจ้าของบ้านนะคะก็น้ําเปล่าค่ะแล้วก็รู้สึกชอบความสันโดษเพราะว่าสงบแต่ถ้าต้องอยู่ใน อสังคมลูกค้าวงการในหน้าที่ขายบ้านเนี่ยค่ะหนูก็อยู่ได้แล้วก็ในระหว่างที่คุยงานก็สามารถจับลมหายใจพุโทโธได้อค่ะหนูรู้สึกว่าหนูสงบสบายใจค่ะแข่งมากท่าที่หนูพูดว่านี่ใช้ได้ทุกอย่างเลยแต่ว่าหนูก็เลยเห็นที่พี่เขาว่าเขาไปสินแปดกันก็เลยคิดว่าตัวเองก็ต้องคุมอาหารก็อาจจะต้องอ่ารักษาสินแปดในอนาคตค่ะ แต่ไม่อยากนะคะ uh, พร้อมแล้วก็จะทำนะคะอ่าดีค่ะก็ตั้งแต่รู้จักพระอาจารย์หนูก็มีที่ยึดเนี่ยวจิตใจค่ะก็ขอให้พระอาจารย์มีทัดขันที่แข็งแรงนะคะหนู uh, ดีใจแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจว่าก็ไม่อยากเวียนว่ายตเกิดแล้วจะตั้งใจปฏิบัติทมค่ะแล้วก็ uh, หนูไม่ได้เข้าวัดนะคะก็มีไปใส่บาตกับพระอาจารย์แล้วก็ ตอนนี้หนูอยู่หอพักให้ดูแลหอพักให้พ่อบุญธรรมค่ะรอบๆก็จะเป็นป่าทั้งหมดแล้วก็เป็นคนเช่าเป็นเขมรซะส่วนใหญ่วุ่นวายมากแต่ว่าใจหนูไม่ได้วุ่นวายตามพวกเขาเลยก็ใช้ขันติในการปกครองคนต่างชาติต่างด้าวอะค่ะเวลามีอะไรก็มีเมตตาเขาแล้วก็ไม่มีความอยากเหมือนอดีตที่ยังไม่รู้จักธรรมะค่ะแสดงว่าหนูมีธรรมะมากที่พูดมาทุกอย่างนี้ถูกต้องหมดเลย ค่ะหนูตั้งใจว่าจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ซึ่งไม่รู้เมื่อถึงเมื่อไหร่ให้<ม>เป็นประโยชน์กับพุทธศาสนามากที่สุดค่ะพระอาจารย์โอเคแล้วเขาวา ER งยพยายามตัดกิเลสที่เหลืออยู่ให้มันหมดไปนะตัดตัว<ด>ตนอะไรต่างๆตัดให้มันหมดไปค่ะพระอาจารย์การอารมณ์ต่างๆ น, างนี่ก็จัดก า, ารต่อไปค่ะโอเคดีมากอตุ้งจค่ะจะตั้งใจค่ะพระอาจารย์โอเค หาตัวรู้ okay, ค่ะพะจารโอเคกายต่อไปคุณจอยจอยพัทยาคุณสุดท้ายนะจอยไป็นยังไง<อ>ยังสา<อ>บายอยู่เหมือนเดิมค่ะไปเหมือนเดิมสู้ค่ะหนูไม่ถออ่าดีเป็นังไงเดี๋ยวก็ต้องทำให้นั่นแหละจนหนูจะไปบวชไปไหนได้มากกว่านี้ค่ะ เอไม่อไม่เวลาก็มาพักมาปฏิบัติทำเรื่อยๆนะต่อไปจะได้จะได้เจริญก้าวหน้าอยากก้าวหน้าก็อยู่ที่การปฏิบัติฟนะังอย่างเดียวไม่พอค่ะใช่ค่ะผมจะนำไปปฏิบัติค่ะโอเคครับ้วเสร็จหมดแนละ้วตอนนี้ก็เอาที่คุณหล้าต่อคุณหลา้าเมอะไรั้ม กราบนมัสการครับพระอาจารย์มีทั้งหมดสคํคำถามจากทาง Facebook และ YouTube เจ้าค่ะสองคำถามแรกจากคุณธีรภูมิกราบนมัสการพระอาจารย์ครับคำถามข้อที่หนึ่งการที่ผมนั่งภาวนาและยังไม่พบความสงบแต่สอนใจตัวเองด้วยการคิดในเรื่องของกฎไตรลักษณ์และการวางใจให้เป็นอุเบกขาการคิดสอนใจแบบนี้จะช่วยขัดเกลาจิตใจ ให้มีอุเบกขามากขึ้นไหมครับมันก็ได้ในระดับหนึ่งคที่มันยิ่ถ้าเราไปเจอ้เรื่องที่มันยากๆมันก็อาจจะ ย, ยังไม่สามารถใช้ความคิดทําใจให้เราเป็นอุเบกขาได้อันนี้ก็ต้องทดสอบดูนะครับเวลาที่เราเจอเหตุการณ์ที่มันรุนแรงใจเราสามารถใช้ความคิดคือปัญญานี้ทําให้ใจเราวางเฉยได้หรือเปล่าถ้าวางได้ก็โอเค ถ้าวางไม่ได้ก็แสดงว่าเราต้องไปฝึกสตินั่งสมาธิให้มากว่านให้มากขึ้นคำถามข้อที่สองการทำใจให้สงบและมีอุเบกขาต้องทำด้วยวิธีการนั่งสมาธิเพียงอย่างเดียวหรือครับกราบขอบพระคุณครับก็ต้องก่อนก่อนจะมานั่งก็ต้องเจริญสติอยู่เรื่อยๆฝึกสติคอยควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้ใจคิดในรียบบทสเดยืนนั่งนอน ใช้คำอะไรัำพุโทโธพุโทโธคอยกำกับใจอย่าให้ใจคิดไปอดีตไปอนาคตให้รู้เฉยๆกับปัจจุบันเวลาจะทำใจให้นิ่งสงบก็ต้องมานั่งนั่งเฉยๆนั่งสมาธิคำ ถ, ถามข้อสุดท้ายจากคุณเกษมอยากจะให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำว่าข้อความต่อไปนี้ผิดถูกประการใดครับ การให้ทานเช่นการช่วยคนที่ไม่มีที่อยู่ให้เขาได้มีที่อยู่ก็จะได้ผลเป็นปิติในความเมตตานั้นและนนำมาเจริญปัญญาได้เพราะผลที่ให้เป็นบุญเป็นปิติทำให้เห็นถึงสุขในการให้จะทำให้การเจริญปัญญาง่ายขึ้นเพราะเห็นคนที่ให้มีความสุขครับ มันก็ได้ปัญญาระดับทานแต่จะมันย่มันจะไม่ได้ปัญญาระดับศีลหรือสมาธิหรือปัญญามันมีหลายระดับด้วยกันปัญญาโอเคหมดแล้วใช่ไหมเวลาถามหมดแล้วเจ้ค่ะ okay, เวลาก็หมดพอดีเป๊ะเลยสี่ทุม่มครึ่งก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพนะินิตจพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุ ข, ขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิด